สวัสดีครับท่านทุกฝั่งที่กรุบครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการบรรยายธรรมจากท่านอาจารย์ประสมทบพระกะโมวัดกลางอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องโอติยสูตรขอเชิญท่านรับฟังได้น บ, บัดนี้ครับ ช่วงเนี่ยเป็นช่วงขึ้นพุทธศักราชใหม่ปี2548ในการเปลี่ยนแปลงของกระแสของวัตตะหรือความเป็นไปของขันธาตุอยนายตนะนั้ น, นมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามทุกๆขณะของมันซึ่งไปตรงกันในหลักของคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า ความไม่เที่ยงเนี่ยนความที่ไม่เที่ยงนี่แหละมาจากคำว่าอนิจจังก็แปลว่าไม่เที่ยงเพราะอัตวามีแล้วกลับไม่มีเชื่อไม่เที่ยงเหตุที่ไม่เที่ยงนั้นก็เพราะว่าด้วยเหตุสี่ประการเนี่ยมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นที่สุดนั้นอย่างหนึ่งประการแรกที่เรียกว่าไม่เที่ยงนี่นะประการต่อมาก็คือว่า โดยความแปรปรวนนั้นอย่างหนึ่งประการที่สก็คือโดยความเป็นของชั่วคราวประการที่สี่ก็คือโดยค้านกับความเที่ยงหรือความคงทนลักษณะของอณิจังเนี่ยอัดของเขาเป็นอย่างนี้คือมีแล้วก็กลับไม่มีซึ่งถ้าเรามองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของขันทาศอายยตนะความเปลี่ยนแปลงของความเป็นไปของ ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจความเปลี่ยนแปลงของทรัพสมบัติความเปลี่ยนแปลงของขันทาาอายตนะเนี่ยนะของสัตว์ทั้งหลายที่จะต้องเป็นไปตามกฎของคำว่าอันนี้จังคือความไม่เที่ยงนั้นก็จะต้องเข้าลักษณะสี่ประการที่บอกมีความเกิดและความเสื่อมไปเป็นที่สุดใช่ไหมถามว่ามีอะไรไหมที่เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่เสื่อม ไม่มีเลยเนยสิ่งที่เนื่องกับขันหรือเกี่ยวข้องกับขันห้าเนี่ยในส่วนของรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณเนี่ยรั้นแต่ว่ามีแล้วก็กลับไม่มีที่ว่ามีความเกิดและความเสื่อมเป็นที่สุดหมดเลยจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแลวแปรปรวนในท่ามกลางแล้วก็ดับสลายไปในที่สุดจะเป็นอย่างนี้โดยความแปรปรว น, น่ย เขาจะแปรปวนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแหละถามว่าจะรู้หรือไม่รู้จะเห็นหรือไม่เห็นก็อีกอย่างน่ไหมแต่เขาก็แปรปวนนี่เป็นอย่างนี้ลักษณะของการแปรปวนของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยความเป็นของชั่วข่าวด้วยบอกว่าเป็นของชั่วข่าวนิดเดียวนิดหน่อยมีทุกข์มากมีความข้าบแค้นมากด้วยความค้านกับความเที่ยงก็แปลว่าเขาค้านเน่ง ถ้าถามว่าเราทุกข์เหรอเราจะมองในแง่ไหนในโดยอัดโดยสภาวะอัดของทุกข์นั้นเขาแปลว่าบีบคั้นชื่อว่าเป็นทุกข์ด้วยเหตุสีประการเหมือนกันบีบคั้นอยู่เนืองๆ น, นั้นหนึ่งเขาจะบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแลักษณะของความทุกข์นี้นจะเป็นอย่างนี้นะประการต่อไปคือโดยความเป็นของที่ทนได้ยากเขาทนอยู่ในสถานะเดิมสภาพเดิมกับเขาไม่ได้ การทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นั้นเป็นชื่อของความทุกข์เนี่ยถามว่าเราลองอยู่ดูสักขณะหนึ่งถามว่าเราทนอยู่ในสภาวะตรงนั้นได้ไหมเช่นว่าทนจะไม่ขยับเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหมทนที่จะไม่ขยับนิดเดียวก็ไม่ได้มันทนได้ยากโดยเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ เป็นที่ตั้งของชาติทุกขชราทุกขมรณะทุกโสกาปริเทวะทุกโ ท, โทมนัสสะอุปายาตบางคนอาจจะไม่คิดนะว่าถ้าเรามีสมบัติสักชิ้นสองชิ้นเนี่ยเอะเราไม่เราไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องไปทุกข์กับมันเลยถ้ามันจะบุกมันจะแตกสลายไปแต่ถามว่ามันเป็นทุกข์เพราะตัวของมันเองนั้นอย่างหนึ่งเป็นทุกข์เพราะการที่เราเอาจิตไปผูกไปเกี่ยวข้องอย่าง นีเป็นอย่างนี้เหมือนว่าความทุกเนี่ยนีถ้าเรามองถึงชาติที่ทุกทุกเพราะการเกิดการแก่การเจ็บการตายและการวิบัติพัดภาคเนี่ยอย่างในในช่วงปีเนี่ยที่เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะๆเนี่ยเนี่ยแท้จริงมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วโดวยความเป็นจริงของสังขารโดยความเป็นจริงของสภาวะเนี่ย แต่มันเห็นประจับแบบนี้มันไม่ค่อยจะเห็นแต่ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเริ่มสะดุ้งสะเทือนไวแต่ถามว่าถ้าสะดุ้งสะเทือนจริงเนี่ยมันต้องน้อมในการที่จะเจริญสีสมาธิปัญญามากคือมันเห็นความไม่เที่ยงเห็นความบีบค้านเห็นความเป็นทุกข์จริงๆใช่ถ้าเห็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะจะเข้าใจความจริงประการต่อมาคือว่าโดยคโดยค้านกับความสุข คำว่าค้านต่อความสุขเนี่ยสุขเริ่มจะไม่ค่อยมีจริงเ่ยตามคําสอนเลยรแต่นี้ที่เราเคยกล่าวกันว่าเอ้ยความสุขนี่มันมีอยู่จริงเนืเนี่ยนักเข้านักเข้าเราเริ่มจะคิดกันแล้วเอ้ยจริงๆแล้วมันมีไ้่แน่สุขเนี่ยถ้าสุขจริงๆเนี่ยมันสุขนั้นต้องไม่เปลี่ยนดีไหมทีนี้ความสุขที่ได้มันก็เปลี่ยนไอความสุขที่มันได้ที่ได้แล้วเรามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้มีความรู้สึก ตามความเป็นจริงเนีว่าถ้าตรึกรือพิจารณาเห็นก็จะรู้ว่านั่นแท้ที่จริงก็คือเป็นความทุกข์นั่นเองแต่ว่าเป็นวิปริณามาทุกข์ทุกข์เพราะเปลี่ยนนั่นคืออาจของทุกข์เนีมีการบีบคั้นเนี่ยแล้วก็ได้เหตุเสีประการโดยความบีบคั้นอยู่เนืองๆโดยความทนได้ยากโดยความเป็นที่ตั้งของความทุกข์นั้นประการและโดยค้านกับความส่วนอัตตา อนัตตนั้นเพราะอธรว่าไม่เป็นไปในอำนาจชื่อว่าเป็นอนัตตานะเขาเรียกว่าไม่เป็นไปตามอำนาจเหตุสีประการเหมือนกันถึงจะเรียกว่าโดยความเป็นอนัตตาได้หนึ่งโดยความเป็นของศูนย์ศูนย์จากอะไรศูนย์จากเที่ยงศูนย์จากสุขศูนย์จากอัตตาศูนย์จากความงามนี่นะโดยความไม่มีเจ้าของ เออถ้าเราดูแล้วแต่ถามว่ามีเราเป็นเจ้าของอะไรบ้างเนี่ยนไม่มีเลยถ้าไปพิจารณาดูใช่ไหมเนี่ยเราเป็นเจ้าของเดี๋ยวถ้าไปแยกแยะแล้วจะเห็นเดี๋ยวจะพูดในเรื่องอนัตตาในความหมายอธิบายนะให้ว่าจริงๆรงเนี่ยโดยไม่มีเจ้าของเราเป็นโดยไม่เป็นสิ่งอะไรที่จะพึงทําตามประสงค์ได้ถามว่ามีไม่มีสิ่งอะไรที่จะพึงทําตามประสงค์ได้เลยไม่มี คำว่าไม่มีสิ่งอะไรที่จะทําตามประสงค์ได้เนี่ยมันอย่างนี้ไอจิตที่คิดอยากจะทําในขณะแรกมันก็ดับไปแล้วไอจิตที่คิดใหม่มันก็สืบเนื่องจากจิตที่คิดก่อนไอจิตที่คิดต่อๆมามันก็สืบต่อจากไอจิตที่คิดก่อนๆนะ้านนวลมันจึงบอกว่าไม่มีสิ่งอะไรที่จะพึงตามทํทาตามความประสงค์นะหรือไอความประสงค์จริงๆที่จะทำมันนะจิตที่ประสงค์ ไอจิต น, นั้นมันก็ดกับไอสืบเนื่องต่อมาตามลำดับเนี่ยมันมันก็อีกอย่างแล้วก็โดยค้านกับม า, าตาทีนี้ถามว่าความมีพากลับไปดูอนิจจังนเนี่ยไอความมีแล้วกลับไม่มีหรือความมีแล้วก็หามไม่ีเนี่ยเป็นอนิจจารักษณะคือลักษณะของอนิจจังส่วนความทนอยู่ไม่ได้เพราะถูกบีบคั้นอยู่เนืองเนือะ ที่มันบีบคั้นอยู่เนืองๆลักษณะอย่างนั้นเป็นทุกขลักษณะคือลักษณะที่เป็นทุกข์ความไม่เป็นไปตามอํานาจนี่เป็นอนัตตลักษณะคือลักษณะที่เป็นอนัตตานี่เป็นอย่างนี้เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานั้นเป็นอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันนะ ถามว่าขันห้าชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเนี่ยเป็นอะไรเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาคําว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นสภาวะของเขาอยู่แล้วมันเป็นสภาวะของเขาอยู่แล้วมันเป็นชื่อของขันอยู่แล้วถามว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จคือขันห้าเนี่ย กายกระจายเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเขาเป็นของเขาอยู่แล้วทีนี้อาการเนี่ยอาการคือความแปลไปเปลี่ยนไปของขันห้าเป็นอะไรเป็นอนิจจลักษณะทุกคลักษณะและอนัตตลักษณะอาการที่แปลเปลี่ยนไปของขันห้ามันเปลี่ยนไปในฐานะทั้งสามลักษณะนั่นแหละ ทั้งลักษณะของความไม่เที่ยงทั้งลักษณะของการบีบคั้นทั้งลักษณะของความเป็นหาเจ้าของไม่ได้เนี่ยหรือว่าเป็นของศูนย์เนี่ยเป็นอนัตตาเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยลักษณะของเขาอย่างนี้เ็าเป็นอาการอาการที่เขาเปลี่ยนแต่จะเปลี่ยนในมุมไหนของการที่จะเห็นเปลี่ยนไปในฐานะด้วยความมีแล้วกับไม่มีเนี่ยอันนั้นมองในแง่ของอนิจจัง เปลี่ยนไปในฐานะถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอันนั้นมองในฐานะด้วยความเป็นทุกข์เปลี่ยนไปโดยฐานะของความที่ไม่สามารถที่จะบังคับได้ไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยอันนั้นในฐานะเป็นอนัตตาถ้าถาม อ, อกว่าลักษณะของธรรมเหล่านี้ย่อมไม่ปรากฏเพราะไม่ได้มณสิการอะไรเพราะไม่แทงตลอดอะไรเพราะถูกอะไรบีบ หรือว่าีบบีบคั้นเขาไวอันนีจะลักษณะไม่ปรากฏเพราะไม่ได้มานาสิกานเพราะไม่ได้แทงตลอดความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปการไม่ได้มนานสิกานคือการไม่ได้ใส่ใจไม่ได้พิจารณาหรือการไข้ควรถึงความเกิดขึ้นและก็ความเสื่อมไปของขันห้าเป็นต้นเนี่ยของรูปนามของกายกับใจเนี่ยการไม่ได้มนานสิการไม่ได้ใส่ใจสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเขาเรียกว่า ไม่เห็นทีนี้การที่ไม่ได้มนสรีการเพราะไม่แทงตลอดตามความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเพราะถูกสันตติคือความสืบต่อนะปิดบังเขาไว้สันตติเนี่ยความสืบต่อเนี่ยมันปิดกันอะไรมันปิดกันอันนี้จังนะถามว่าเราไม่เห็นสันตติไม่เห็นความสืบต่อเนี่ยถ้าใครบอกว่าเออพัดลมก็ดีบางคนก็ชอบอุปมากันนะ บอกพัดลมนี้เวลามันหมุนช้าๆเนี่ยมันก็พอจะเห็นใบพัดมันพอมันหมุนเร็วๆเนี่ยมันมองไม่เห็นนะเ น, น, นี่ยภาพยนตร์นะฮะถ้าเราเอาฟิล์มของเขามาดูเนี่ยแต่ละภาพเนี่ยไอ้แค่เราจะแค่เขาจะก้าวขาแล้วเขาจะเดินไปถึงที่นี่โอ้ยภาพเป็นร้อยๆเป็นร้อยๆภาพเลยเนี่ยกว่าที่จะประติดประต่อกันได้ว่าจะเป็นการจังหวะหการเดินการยืนการนั่งการนอนการ ทำกิจต่างๆได้แต่ละอย่างเนี่ยทีนี้ไอ้ความเร็วของภาพนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เราเห็นเห็นมเห็นมันติดกันไปเหมือนภาพภาพเดียวกันมันเปห น, นีไอ้ความที่เราเห็นเรามองไม่เห็นเลยใช่ไหมว่าเออสมัยก่อนเราเป็นเด็กแล้วปัจจุบันเราก็เป็นผู้ใหญข่ขนาดนี้แล้วเนี่ยเรียกึะน แต่ก่อนก็ประมาณสัก4ี่ห้าขัวหกขัวมแน่้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยปัจจุบันก็สิบขัวถามว่าเราไอความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจริงๆงมันมีทุกขณะแต่เพราะก็ถูกสันตตินี่คือการปิดนี่นะความสืบต่อนี่มันปิดบังก็นไว้ความสืบต่อกันของรูปของนามนี่ความสืบต่อกันของ ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นไอ้ความสืบต่อในลักษณะอย่างนี้เนี่ยจึงมองไม่เห็นมองไม่เห็นความไม่ที่ประการต่อมาคือทุกขลักษณะไม่ปรากฏเพราะไม่ได้มานักสุการคือไม่แทงตลอดความบีบคั้นอยู่เนืองเนืองเพราะถูกอิริยาบถปิดบังไว้อิริยาบถนี้มันปิดบังทุกนะมองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกเออมองไม่เห็นบางทีเนี่ยทั้งอนิจจังทั้งทุกขังเนี่ยถ้าเราดูแล้วจุดมันจะ มองจุดต่างกันอยู่นิดนิดหนึ่งก็คือว่าในลักษณะของอิริยาบถเนี่ยถ้าเรามองเห็นชัดก็คือว่าการที่เราจะต้องขยับทุกๆอิริยาบถนิดเดียวเราก็ขยับเนี่ยนั่นบ่งบอกว่ามันเป็นทุกเนยทีนี้ไอ้ จ, จุดที่มันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานี่แหละมันเลยกลายเป็นความเคยชินเนี่ยเนยทีนี้ไอ้ จ, จุดความเคยชินอันนี้นี่แหละจึงเป็นปัจจัยแก่การที่ทาให้มันปิดบังเขาวะ ทำให้ปิดบังเขาไว้อิริยาบถนั้นจึงปิดบังทุกไม่เห็นความบีบคั้นเนี่ยนะทีนี้ความบีบคั้นเนี่ยถามว่ามันบีบอะไรมันบีบคั้นเนืองๆ เ, เนี่ยนะอะอยังยกตัวอย่างเช่นว่ามันบีบยังไงถ้าเรามองถึงอิริยาบถในการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยบางคนให้ดูกันง่ายๆอย่างนี้ก็ว่างั้นนะแต่มันก็เห็นจริงนะอย่างยกตัวอย่างเช่นเรานั่งอยู่เนี่ยนะแล้ว ไม่นานเลยเดี๋ยวความทุกข์มันก็รายงานบบนะั้นไอความทุกข์ที่รายงานเนี่ยมันก็จะบีบออกมาบีบคันออกมาว่าเออต้องเปลี่ยนแล้วคุณต้องเปลี่ยนและอิรยาบถนั้นนะคุณต้องเปลี่ยนแล้วแบั้นเนมะื่อต้องเปลี่ยนเนะ่ยไหมทีนี้แล้วเราก็เปลี่ยนกันา่าเนี่ยจากนั่งไปยืนจากยืนไปเดินจากเดินไปนอนจากคู่เหยียดก้มเงยเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกๆขนาดนั่นแหละมันจะถูกอะไรบีบเข้าไว้ มันจะถูกไ อ, อถูกตัวความทุกเนี่ยเป็นตัวบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาว่าต้องเปลี่ยนทีนี้เราก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าต้องเปลี่ยนเพื่ออะไรใช่ไหมถ้าหากผู้ที่ศึกษาคําสอนมาดีในกลุ่มของอิริยาบทเนี่ยก็จะเริ่มรู้แล้วไอจิตที่คิดจะเดินจิตที่คิดจะนั่งจิตที่คิดจะนอนเนี่ยเป็นไปเนี่ยแท้ที่จริงในร่างกายของเราเนี่ยก็เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสโดย ท, ทั่วไปที่บอกว่าโครงร่าง กระดูกสามร้อยท่อนเยอมไหมเส้นเอ0เก้าร้อยเส้นมีเนื้อเก้าร้อยชิ้นเนี่ยหนังหุ้มอยู่ชั้นนอกก็คือหนังสดหุ้มอยู่เนี่ยทีนี้ในขณะที่เราจะขยับขยืน่นหรือว่าเราจะเคลื่อนไหวอิรยาบทเนี่ยจิตที่คิดเนี่ยไอวายโยธาตมันก็ตั้งขึ้นแล้วถามว่าคนเราเนี่ยในสรีละในร่างกายของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมีธาตุดินธ า, าตุน้ำธาตุไฟธาตุลมใช่ห ถ้าธาตุเหล่านี้สมดุลกันก็เรียกคนสุขภาพดีธาตุเหล่านี้สมดุล น, นี่คนคนนั้นสุขภาพดีนะก็แปลว่าคนนั้นไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ถ้าธาตุดินเกิดแปลปวนขึ้นมาโอ้โหก็เริ่มแล้วร่างกายก็แข็งเดินลําบากถ้าธาตุน้ําแปลปวนขึ้นมาร่างกายก็เน่าเนะืถ้าธาตุไฟแปลปวนขึ้นมาก็ โ, โหร้อนแห้งถ้าธาตุลมแปลปวนขึ้นมาเป็นยังไงจุกเสียดถึงขนาดตายได้ ท่านถึงบอกว่ามีงูสี่ชนิดใช่ไหมงูปากไม้งูปากไฟรู้งูปากเน่างูปากสตราเนี่ยที่คอยประหัดประหารพวกเราอยู่เนี่ยทีนี้ถ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าธาตุเหล่านี้สมดุลกันเพราว่าธาตุเหล่านี้เกิดจากอะไรธาตุเหล่านี้เกิดจากกรรมส่วนหนึ่งเกิดจากจิตส่วนหนึ่งเกิดจากอุตุส่วนหนึ่งแล้วก็เกิดจากอาหารนั้นส่วนหนึ่งถามว่าธาตุเหล่านี้เกิดจากกรรมเกิดยังไง เช่นดินน้ำไฟลมที่เกิดจากกรรมดินน้ำไฟลมที่เกิดจากกรรมยังไงเกิดจากกุศลกรรมก็ได้เกิดจากอกุศลกรรมก็ได้ถ้าหากดินน้ำไฟลมที่เกิดจากอกุศลกรรมดินน้ำไฟลมของใครธาตุดินธาต้น้ำธาตุไฟธาตุลมของอบายสัตว์ใช่ไหมที่ไปเป็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นต้นเป็นที่ตั้งของตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้น น, น่ยคือดินน้ำไฟลมของอบายสัตว์เหล่านนะั้น ทีนี้ถ้าอากุศลกรรมเนี่ยถ้าจะมาเบียดเบียนบีบคั้นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมของสัตว์โลกที่เกิดจากอกุศลกรรมทั้งหลายอย่างเช่นคนป่วยทั้งหลายนยีหรือคนที่ประสอบอุทกาภายัาาภา ย, ภยเนี่ยคนที่ประสบอุทกภัยวาตภัยอาคีภัยเนี่ยหรือมหันตาภัยต่างๆเหล่านี้ถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากดิน น้ำบ้างไฟบ้า ง, างแล้วก็ลมบ้างนีะไม่มีอะไรตรงนั้นแต่ถามว่าในเบื้องหลังของสิ่งนั้นคืออะไรคือกรรมใช่ไหมเบื้องหลังของสิ่งเหล่านั้นคืออะไรคือกรรมที่ทําให้ต้องได้รับตรงนั้นถ้าไปพิจารณาว่าแล้วกรรมอะไรไหมชีวิตถึงเกิดมาจึงต้องย่อยยับอย่างนั้นทรา์สินจึงต้องย่อยยับเหล่านะ้ไปพิจารณาตามคําสอนก็จะเห็นว่าเป็นอะไรรู้ไหมกลุ่มปานาดีบาสกลุ่มอาทินนาทาน กลุ่มที่คนทำปณิบัติกรรมมาเยอะเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็คือโรคภัยแค่เจ็บแล้วก็อายุสั้นและในที่สุดจริงๆก็จะตายเพราะความวิบัติต่างๆอนนี้มันเป็นอย่างนี้ถามว่าแล้วในอดีตละ่ะมีไหมว่าาสัตว์โลกที่จะไม่เคยทำปณิบัติไม่มีเลยเอาละสิตัวเนี้ยพวกเราก็ทำมาทีนี้ว่าแล้วทำไมพวกเราไม่ไปเจออย่างนั้นทีนี้ไอเกี่ยวกันในเรื่องของ กรรมมันจะส่งผลมีทั้งหลายเหตุปัจจัยนียไม่ใช่ไม่หลังอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าการลวิบัติการลสมบัติเนี่ยการละสมัยนั้นเน่ยเป็นการสมัยที่ไปเกิดในการของใครเป็นผู้ปกครองบางทีอุปธิสมบัติหรืออุปธิวิบัตินี่ไหบอกว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอัตภาพดีหรือไม่ดีที่ชัดเจนเห็ น, นง่ายที่สุดคืออะไรรู้ไหมประโยค่าสมบัติหรือประโยค่าวิบัติเพี้ยนผิดหรือเพี้ยนถูกเลย ไที่ตรงไอ้กรณีบางคนบางคนเนี่ยเขาเพียนถูกเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเจอเท่าไหร่แต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่พ้นจะมีความสมบูรณ์ตรงนี้อยู่ก็จริงอยู่แต่ถ้าหากว่าอกุศลกรรมมันได้จังหวะได้โอกาสในการที่จะผลิตวิบากแล้วมันต้องได้นีเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้ามองตรงนี้ก็จะเห็นกอถ้าหากว่าเราอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องทรัพย์มันเนี่ย ถามว่าการมีสิ่งเหล่านี้ที่สุดจริงๆก็ต้องวิบัติอยู่แล้วอาจจะวิบัติไปเพราะดินน้ําไปและลมแล้วก็โจรเอ่ยพระราชาเอ่ยแล้วก็ญาติที่ไม่ดีทั้งหลายอันนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติในที่เรา ม, มีกันอยู่เราก็เป็นเจ้าของกันแค่สบชั่วพักเจ้าคู่มันไม่มีเจ้าของเลยใช่ไหมไม่มีเจ้าของหรอกมองเห็นอย่างไรบอกไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าของหรอก ผขมองย่งนี้ใจหายไหมครับว่าไม่มีเจ้าขาเป็นเจ้ากองใจหายกันนั่นเไอ้ที่เราว่าตอนนี้ยยังมีสิทธิ์ที่จะใช้ได้เล็กๆ น, น้อยๆแค่ใ น, ใ น, น, นั้นเองเดี๋ยวก็หมดฉะนั้นทุกคลักษณะไม่ปรากฏก็เพราะไม่มนาสิการไม่แทงตลอดความบีบคั้นหนึ่งเนืองถูกอิริยาบถต่างๆปิดบังเข้าไว้ดังที่ได้กล่าวอิริยาบถในการที่ยืนเดินนั่งนอนกระพริบตาอาปากเป็นต้นเนี่ยเป็นอย่างยกตัวอย่างแค่เราลืมตาอยู่ใช่ไหม ถ้ไมกระพริบตาเนี่ยทุกข์ไหมมันทุกข์แน่ๆแต่นี้มันจะกระพริบไอ้ที่กระพริ บ, บพราะมันแก้ทุกข์ของมันไอ้ตัวนี้เป็นตัวปิดบังก็เลยไม่เห็นไงเหมือนกับการที่เราเราได้เจอเรื่องราวบางเรื่องที่เราจะต้องหัวเราะและร้องไห้ใช่ไหมไอ้การที่เราหัวเราะมาก็คือแก้ทุกข์มันเนยแต่ที่จริงก็คือเป็นความทุกข์ถามว่าพอหัวเราะไปแล้วก็ต้องหยุดอีกแล้วเพราะมันสมควรแก้เหตุ ท, ที่จะต้องหยุดแล้วก็เลยต้องหยุด ไม่หัวเราไม่ได้หรอกตลอดไปมัน ก, มนก็มันก็ทุกข์ใช่ไหมนี่มันเป็นอย่างนี้นี่อนัตตลักษณะไม่ปรากฏเพราะไม่มนสิการเพราะไม่แทงตลอดการแยกธาตุเพราะถูกคณะสัญญาคือความเป็นกลุ่มเป็นก้อนน่ยปิดบังเขาไว้เออที่ไม่แยกยังไงดูไหมไม่แยกธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟและธาตุลมเออถ้าหากไม่แยกอย่างนี้ที่มองไม่เห็นเหมือนกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเนะ เช่นว่าดินน้ำไฟลมที่เกิดจากกรรมนี่เป็นยังไงดินน้ำไฟลมที่เกิดจากจิตดื่น้ำไฟลมที่เกิดจากอุตุแล้วก็บินน้ำไฟลมที่เกิดจากอาหารเอาแค่อย่างผมเนี่ยนะในผมเส้นเส้นหนึ่งเนี่ยนะเกษาคือผมเนี่ยนะเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุแล้วก็เกิดจากอาหารเนี่ในนั้นน่ะอายกตัวอย่างเช่นว่าที่คนผมที่ปักลงไปในศีรษะเนี่ยนะ ถามว่าคนที่สร้างกุศลกรรมมากุศลกรรมมาเนเกิดจะกรรมเนี่ยไหมในกลุ่มของอะไรรู้ไหมกลุ่มของกายะกายะทัศน์นั้นกลุ่มหนึ่งกลุ่มของภาวะนั้นกลุ่มหนึ่งผมเนี่ยมีความเป็นหญิงมีความเป็นชายอยู่เนียในปัจจุบันเนี่ยลองถอนเส้นขนเส่นผมออกไปดีโคนผมเนี่ยเอาไปตรวจดูเขาจะรู้เลยว่าเนี่ยตรวจ DNA อ็เนี่ยเขารู้ทันทีแล้วเนี่ยนี่คือของผู้หญิงนี่ของผู้ชายเนี่ยเทพเจ้าตัสไว้ตั้งนานแล้วเป็น ฉะนั้นกลุ่มหนึ่งก็เกิดจากกรรมเกิดจากกรรมส่วนนีกกลุ่มหนึ่งคือเกิด อ, อ, อ, อี ก, อ, กอีกหน่วยหนึ่งอีกเกิดจากจิตจิตที่คิดเนี่ยมีอิทธิพลต่อผมไหมคนบางคนคิดมากก็ว่าผมเ <c oughs> นี่ยในตรงนี้อุตุบรรยากาศอากาศทั่วๆไปก็เป็นปัจจัยแก่ผมอาหารที่บริโภคเข้าไปเนี่ยบางอย่างก็บำรุงผมบางอย่างก็ทำให้ผมเสีย ตรงนี้ถึงบอกว่าเกิดจากกรรมเกิดจากจิตและเกิดจากอุตุอาหารเนี่ยนะในลักษณะอย่างนี้ถ้าไม่แยกธาตุเหล่านี้ดินน้ำไฟลมที่ไปเป็นผมนี่นะดินน้ำไฟลมที่ไปเป็นขนดินน้ำไฟลมที่ไปเป็นเล็บดินน้ำไฟลมที่ไปเป็นฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเนี่ยดินน้ำไฟลมที่ไปเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นล้วนเกิดจากกรรมจิตอุตุแล้วก็อาหาร ถ้าแยกแยะออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยคำว่าสัตว์บุคคลมันจึงไม่มีอย่างนี้เขาเรียกว่าคณะสัญญามันมันมันดนมันแตกมันถูกกระจายด้วยการที่ไปแยกเป็นธาตุไปแยกด้วยความเป็นขันทีนี้ถ้าแยกไม่ออกมองไม่เห็นแล้วแต่นี้ใช่ไหมพถ้าแยกไม่ออกแล้วก็จะมองไม่เห็นสิ่งนี้ในคาสอนท่านบอกว่าท่านตราดเกี่ยวในเรื่องของประหารไวส ห้าประการคือตทางค้าประหารวิคัมพนาประหารสมุเฉทประหารปฏิปัตสธิประหารแล้วก็นิสระนาประหารตทังค้าประหารนี่นการละการเจริญวิปัสสนาการละชั่วขณะนั่นแหละการละแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นจากการเห็นตามความเป็นจริงส่วนวิคัมพนาประหารนี่เป็นชื่อของการละด้วยองค์ชัน สมุทเชทปหานการลัดล่ ด, ด้วยตัดขาดเนี่ยนะเป็นต้นในคําสอนเกี่ยวกับในเรื่องที่เราจะต้องไปรู้ตามความเป็นจริงของคําว่าอนิจจงทุกขังแล้วก็อนัตตาเนี่ยให้รู้นะว่าลักษณะของอนิจจงลักษณะของทุกแล้วก็ลักษณะของความเป็นอนัตตานั้นมันมีอยู่ทีนี้คําว่าอนิจจงทุกขัง อนัตตากับคาว่าอนิจจลักษณะทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะนั้นไม่เหมือนกันถ้าอนิจจังเนี่ยเป็นชื่อของขันห้าเป็นชื่อของตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเป็นชื่อของ Za รูปนามขันห้าเนี่ยนะคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาด้วยทั้งทั้งสามประการแต่ถ้าหากว่าอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะนั้นเป็นอาการนะอาการที่ บีบคั้นอาการที่อาการที่อาการที่มีแล้วกลับไม่มีอาการที่บีบคั้นอาการที่บังคับไม่ได้นี่เป็นอาการเป็นลักษณะของความไม่เที่ยงลักษณะของความเป็นทุกข์แล้วก็ลักษณะของความเป็นอนาตตาทีนี้จะกล่าวเกี่ยวกับในเรื่องของว่าด้วยคาสอนนะในโพตริยะสูตรว่าด้วยโพตริยะขเรหาบดีในมชิมานิกายมชิมปั น, นาส น, น, นะนะ ข้อที่36ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้นะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในอังคุตระประชะช น, นบทในนิคมกองเช้าอังคุตระปะชื่ออาปะนะัะครั้งนั้นเวลาเช้านะพระพุทธเจ้าขันเสด็จเที่ยวบินทบาตในอาปณะนิคมแล้วภายหลังพัดเสด็จกลับจากบินธบาตแล้วเสด็จเข้าไปยังภัยสนแห่งหนึ่งคือป่านะ เพื่อพักกลางวันสเสด็จไปถึงภัยสนนั้นที่นั่นแล้วเนี่ยประทับนั่งพักกลางวันนะักโขนต้นไม้ต้นหนึ่งแม้โปรตริยัครืหาบดีมีผ้านุ่งผ้าห่มที่สมบูรณ์ถือร่มเนีสวมรองเท้าเดินเที่ยวมาเป็นการพักผ่อนอยู่เข้าไปยังในภัยสนแล้วคันถึงภัยสนนั้นแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ได้ปราศัยกับพระพุทธเจ้าขั้นผ่านการปลาศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วก็ได้ยืนนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแสดงว่ายืนเนานะพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับโปรตริยะครืหาบดีผู้ยืนอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูก่อนเครืหบดีอาสนะมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็เชิญนั่งเถิดเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วโปรตริยะเครืหบดีโกรธน้อยใจ โกรธไม่พอใจพระสมณะโคโดมตัดเรียกเราด้วยคําว่าเครือหบดีแล้วให้นิ่งเสียเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับโปรตริยะเครหาวดีเป็นครั้งที่สองอะดูก่อนเครือหบดีอาสนะมีอยู่ถ้าท่านประสงค์เชิญนั่งเถิดโปรตริยะเครหาวดีก็โกรธก็น้อยใจพระสมณะโคโดมตัดเรียกด้วยคําว่าครหบดีได้นิ่งเสียเป็นครั้งที่สองคือไปเรียกตนเองไม่เต็มยศนะเนี่ย เรียกเขาเรื่องคามดีที่บางคนน่ยถ้าเรียกเรียกไม่คนมียอดมีตำแหน่งเนี่ยเรียกไม่เต็มยอดนี่โกรธเลยพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสโปตริยักเรื่องคามบดีเป็นครั้งที่สองว่าดูก่อนเครื่องความดีอาสนะมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็เชิญนั่งเถิดพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วโปตริยักเรื่องคามบดีโกรธน้อยใจพระสมณโคดมตรัสเรียกเราด้วยคําว่าเครื่องความบดีแล้วก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ค่าแต่พระโคโดมพระดํารัดตรัสที่พระองค์ตัดเรียกข้าพระเจ้าว่าข้างาบดีไม่เหมาะไม่สมควรเลยอยู่หมูเรียกอย่างนี้ไม่เหมองคนบางคนนี้เป็นเมียงนี้จริงๆนะพ อ, พอเรียกแล้วไม่ไม่ตนเองไม่ได้ถูกยกย่องเท่าที่ควร ก, ก็ค่อนข้างที่จะกรด ใครเคยเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยความรู้สึกว่าถ้าใครเรียกเราไม่เต็มรูปแบบแล้วน้อยใจเนี่ยแล้วมันมีอย่างนี้มันกันนะบางทีไปเรียกชื่อเล่นบางชื่อที่เราไม่อยากจะให้บางคนเกาไม่อยากจะบางคนสมัยเด็กๆพ่อเขไปตั้งชื่อตั้งไม่ค่อยหมาะเนี่ยนี่พอโตอขึ้นมาแล้วพวกคนก็ยังเอามาเรียกอยู่นั่นเลยแล้วก็เรียกกันทำไม หน้าข้าวน้าข้าก็เลยปืนรับไปอย่างนี้นแต่จริงบางคนไม่ชอบเลยนะียแต่เขาก็เลี้ยทีนี้พระพุทธเจ้าก็แต่ดูก่อนเครื่องหาบทีก็อาการของท่านเพศของท่านเครื่องหมายของท่านเหล่านั้นเป็นเครื่องของเครื่องหาบทีทั้งนั้นว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยก็คือคนคนดีคนมีเงินเนี่ยเนีเป็นเครื่องห้าบยีโบตริยะก็บอกอา จริงเช่นนั้นท่านพระโคโดมก็แต่ว่าการงานทั้งปวงข้าพเจ้าห้ามแล้ววัวหานทั้งปวงข้าพเจ้าตัดขาดแล้วตรงนี้เดี๋ยวไปดูนะวาการงานและวัวหานน่าหมายถึงอะไรดูก่อนข้าพระสวัสดีก็การงานทั้งปวงท่านห้ามจะแล้วววหานทั้งปวงท่านตัดขาดแล้วอย่างไรเล่าท่านพระโคโดมขอเถอขอประทานโอกาสน่ยสิ่งใดของข้าพเจ้าที่มีเป็นทรัพย์ก็ดี เป็นข้าวเปลือกก็ดีเป็นเงินก็ดีเป็นทองก็ดีสิ่งนั้นทั้งหมดข้าพเจ้ามอบให้เป็นมรดกแก่บุตรทั้งหลายข้าพเจ้ามิได้สอนมิได้ว่าเขาในสิ่งนั้นๆข้าพเจ้ามีอาหารและเครื่องนุ่งห่มเป็นอย่างยิ่งอยู่ท่านพระโคดมการงานทั้งปวงข้าพเจ้าห้ามเสียแล้ววัวหานทั้งปวงข้าพเจ้าปรตัดขาดแล้วด้วยประการอย่างนี้แลคือค้าหาดี ท่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านประพฤติปฏิบัติของท่านท่านสละไงคล้ายๆว่าตนเองเนี่ยปฏิบัติที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในทรัพย์ในข้าวเปลือกเป็นต้นแล้วใช่ไมทำไมพระพุทธเจ้าเรียกเราว่าเป็นกลเลเรียกยอเย้หรือเปล่าท <c oughs> ีนี้ดูพระพุทธเจ้าก็ตเราดูก่อนเรื่องสวดี ท่านกล่าวการตัดตัวหารเป็นอย่างหนึ่งส่วนการตัดโวหารในวินัยของพระอริยะเป็นอีกอย่างหนึ่งแท้จริงพระพุทธเจ้าเวลาจะสรรเสริญนี่ไหมจะเรียกคนนั้ น, นก็เรียกไปตามอริยวินยัยคือวินัยของพระอริยะคําสอนของพระอริยะถามว่าวินัยของพระอริยะมีอะไรบ้างแต่ทางเขาวินัยเป็นต้นนเออขออภัยสังวรวินัยเป็นต้นเนี่ออย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็การตัดวัหานใน อ, อริยในวินัยของภาริยะเป็นอย่างไรเล่าดีละพระองค์ผู้เจริญการตัดวัหานในวินัยของภาริยะมีอยู่โดยประการใดขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมแก่ข้าพระเจ้าด้วยประการนั้นเถิดท่านก็บอกยิ่งทั้งนั้นแสดงเนี่ยแสดงวินัยของภาริยะให้ฟังด้วยดูก่อนก็เรื่มาดีถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดี เราจะกล่าวเห็นไหมเวลาพระพุทธเจ้าจะแสดงธรร ม, มนะก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังและจงใส่ใจใส่ใจนี่เป็นชื่อของการมนตริการที่ดีนะเป็นโยนิโสมนตริการให้ดีนะการฟังพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ในะตานองอย่างนีน้อย่าฟังแบบวางจิตเรื่อยๆไปเนะี้ยหรือว่าไม่ได้ใส่ใจในการที่จะฟังนะบนในตนอง โพธิยะข้าวอีก็ทูลรับพระพุทธเจ้าแล้วบอกบกตั้งใจทูลรับพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนขนา้าวอีทำสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อการตัดโวหารในวินัยของภาริยะ8ปดประการเป็นชไหนะคือปานาติบาตพึงลับด้วยอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์อาทินนาทานพึงรับได้ด้วยการถือเอาแต่ของที่เขาให้เข้าใจคําว่าอาทินนาทานมเข้าใจไหม อธินาทานก็คือการเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ถ้าปานาติบาแล้วก็รู้ใช่ไหมรู้ไหมปานาติบาศก็ฟ <c oughs> องทำมาก็ไม่รู้ปานาติบาตเลย <c oughs> คือการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงถ้าอธินาทานก็คือการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ถามว่าเราจะลปะปานาติบาตได้ด้วยอะไรลประปานาติบาตก็ต้องละได้ด้วยการไม่ฆ่าละอธินาทานก็ละได้ด้วยการ ถือเอาแต่ของที่เขาให้มูสาวาจนะจะละได้ด้วยอะไรด้วยอาศัยวาจาสัตว์คานกล่าวคํำสัตว์คำจริงปีสุนาวาจาจะละได้ด้วยอะไรรู้จักปิสุนาวาจาไ้ยพูด่อเสียดเนี่ยพูดให้คนแตกทะลอะ ก, กันเนี่ยโดวยวัตถุประสงค์ให้ให้คนคนนั้นมารักเราเนี่ยใช่ปิสุนาวาจาจะละได้ด้วยการอาศัยวาจาที่ไม่ส่อเสียดก็คือพูดให้คนสามัคคีกัน ความโลภสามารถด้วยสามารถแห่งความกําหนัดพ <palace> ึงละได้ด้วยความอาศัยความไม่โลภด้วยการสามารถแห่งการกําหนัดความโกรธสามารถแห่งการนินทาพึงละได้ด้วยการไม่โกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธพึงละได้เพราะอาศัยความไม่คับแคนด้วยสามารถความโกรธความโดมิน พึงละได้โดยอาศัยความไม่ดูหมินดูก่อนครื่องธรรมดาทำแปดประการนี้เรากล่าวโดยย่อยังไม่ได้จำแนกโดยพิสดารย่อมเป็นไปเพื่อตัดขาดในวัวหารในวินัยของภาริยะบอกทั้งแปดประการเนี่ยทำแปดประการนี่แหละถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ตัดขาดวัวหารเนีอย่างท่านเนี่ยไม่เรียกว่าตัดขาดโัวหานเพราะท่านยังมี ท่านอาจจะไม่ท่านท่านอาจจะไม่ได้ปกครองทรัพย์สมบัติท่านอาจจะมาเป็นนักหรือถือประพฤติปฏิบัติตามนักบวชอย่างหนึ่งหรือท่านอาจจะเป็นนักบวชอย่างหนึ่งเป็นต้นเนี่ยนะแต่ท่านก็ไม่ได้ลา ว, วัหานเหล่านี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ทํา8ประการนี้พระพุทธเจ้าตรัสโดยย่อไม่ได้จําแนกโดยพิสดารย่อมเป็นไปเพื่อตัดดวงหานในวินัยของภาริยะดีละพระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความกรุณาจำแนกทำแปดประการนี้โดยพิสดานแก่ข้าพเจ้าเถิดบอกขอให้จำแนกโดยพิสดานแก่ข้าพเจ้าเถิดพุทธเจ้าดูก่อนขล้หัดีถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโปตริยคืขล้าหัวดีทูลลพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนคล้หัวดี ก็คําที่กล่าวดังนี้ว่าปานาติบาที่พึงลักได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าเรากล่าวเพราะอาศัยอะไรเออปานาติบาคือการฆ่านี่เนีในช่วงนี้ถ้าเรามาพิจารณาถึงโทษของปานาติบาตเราก็จะเห็นเยอะคําว่าเห็นคือประจักษ์ได้เห็นได้ยินข่าวกันเยอะว่าคนตายกันเยอะเนี่ยนั่นคือโทษของปานาติบาตดูก่อนเครห่าวดีอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่มพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงทาปานาติบาตเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เราใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่งเราพึงทาปานาติบาตแม้ตนเองพึงติเตียนตนเองได้เพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยวินยูชนพิจารณาพึงติเตียนได้เพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยเมื่อตายไป ุกติเป็นอันหวังได้เพราะปานาิบาตเป็นปัจจัยปานาิบาตนี้แหละเป็นตัวสังโยชน์เป็นตัวนิวรอั น, นึ่งอาสวะที่เป็นเหตุแห่งความคับแค้นและความกวนกวายเราใดเกิดขึ้นเพราะปานาิบาตเป็นปัจจัยเพราะบุคคลงดเว้นปานาิบาตแล้วอาสวะที่เป็นเหตุแห่งความคับแค้นกวนกวายเหล่านั้นย่อมไม่มี คำที่เรากล่าวดังนี้ปาณาติบาตพึงละได้เพออาศัยการไม่ฆ่าเรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้เออพิจารณาอย่างนี้ดูที่ถามว่าปาณาติบาตคือการฆ่าเนี่ยถ้าพระในพระธรรมวินัยของพระรยานี่นะท่านจะพิจารณาว่าเราพึงทําปาณาติบาตเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เราใดเราปฏิบัติเพื่อละคําว่าปานาติบาตเนี่ยเป็นเหตุทําให้เราติดอยู่ในโลกไหม ถามว่าในขณะที่เราทำปานาติบาตเราฆ่าสัตว์เราทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปโดยประการอะรต่างๆใช่ไหมกรรมกล่าคือกายกรรมแล้วก็วิจิกรรมเกิดจากมโนกรรมคือจิตคิดในการที่จะไปฆ่าแล้วก็ทำความเพียรเพื่อฆ่าเนี่ยนะบอกว่าสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตมีจิตคิด จ, จะฆ่าทาความเพียรเพื่อฆ่า แล้วก็สัตว์นั้นก็ตายลงเพราะความเพียร น, นั้นเนี่ยการที่ไปปฏิบัติและจนสามารถทำปานาติบาตได้อย่างนั้นเนี่ยถามว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วท่านในวินัยของพายะท่านจะปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชนเหล่านั้นถามว่าถามว่าเพื่อละอะไรละปานาติบาตอะไรเนาอเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการฆ่าใช่ไม เป็นมูลหนึ่งการฆ่าโทสะเนี่ยเป็นมูลเป็นเหตุแห่งการฆ่าแต่ถามว่าโทสะอย่างเดียวไดยพอใช่ไมแท้ที่จริงก็มีพวกกลุ่มอรรคลคือโมหะนั่นเองเป็นมูลที่สำคัญที่สุดใช่ั้ยคืออวิชาเนี่ยความไม่รู้อ่ะหลายๆคนก็ไปทำความเข้าใจกันนะว่าไปพิจารณาและไปเห็นนะว่าถ้าไม่ปฏิบัติเพื่อตัดสังโยชน์คือเครื่องผูกเหล่านั้นเนี่ยถามว่า โทษานี่เป็นปฏิฆาสังโยชน์ไหมเป็นแล้วม โ, ม โ, มโมหานี่แหละเป็นอวิชชาสังโยชน์ใช่ไหมเป็นเครื่องผูกเป็นเชือกเชือกเส้นใหญ่เลยนะยผูกสัตว์นั้นให้ติดอยู่ในกามภพให้ติดอยู่ในรูปในอารูปเป็นต้นนะถ้ากลุ่มปานาติบาตเป็นต้นโดยมากก็ถ้ากรรมเหล่านี้ส่งผลก็เวียนอยู่ในวัฏะโดยมากก็อยู่ในอบยภูมิญโภช ฉะนั้นถ้าอริยะท่านบอกว่าอันหนึ่งเราพึงทำจะพิจารณาในท่านเหล่านั้นเลยตนเองก็ติเตียนตนเองได้นะเพราะเออเรานี่เป็นผู้ที่ยังทําลายชีวิตสัตว์ให้ตกร่วงอยู่ใช่ไหมเพราะปานาติบาสนี่เป็นปัจจัยเมื่อพิจารณาไปทีไรเนี่ยถามว่าหลายมีมีใครยกย่องตอนเองไว้ที่ทําฆ่ากลุ่มที่ทําการฆ่านี่ไม่มีหรอกแต่หมายถึงต้องเป็นวินต้องเป็นคนรู้จริงๆนะ วินยูชนพิจารณาแล้วก็ติเตียนได้เพราะปานาติบาเป็นปัจจัยเหมือนกันท่านผู้รู้ทั้งหลายก็พิจารณาท่านผู้นี้ยังไม่พ้นจากการฆ่ายังไม่งดเว้นจากการฆ่า เ, เมื่อตายไปแล้วก็มีทุกคติเป็นการหวังได้อาบายทุขติวินิบาตนารกเป็นอันหวังเลยกลุ่มพวกนี้นะถ้ายังไม่ตายก็ยังยิ้มได้อยู่นะแต่ถ้าตายไปแล้วก็ที่หวังก็คือที่ตรงนั้นเพราะปาณาติบาเป็นปัจจัย ปานาติบาตนี่แหละเป็นตัวสังโยชน์เป็นตัวนิวรถามว่าเป็นตัวปิดกั้นไหมเป็นนิวรเป็นตัวกั้นอะไรกั้นกุศลไม่ให้เกิดคําว่านิวรนี่ยไหมเขาเรียกเครื่องกั้นเครื่องกั้นอะไรเครื่องกั้นความดีทั้งหลายเครื่องกั้นทานกุศลศีลกุศลใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่ทำปานาติบาตนี่ในกลุ่มกลุ่มนี้คนที่ท ำ, ทำปั๊บปานาติบาตนี่ถามว่าเขา เขาจะมีตัวปิดกั้นประเภทไหนว่ากั้นกายกรรมวจีกรรมเมื่อทำปานาธิบาตเนี่ยกายกรรมวจีกรรมที่จะเป็นศีลเนี่ยไม่เป็นแล้วกายกรรมวจีกรรมที่จะเป็นทานกุศลศีลกุศลเป็นภาวนากุศลไม่สามารถจะทำกายกรรมวจีกรรมให้ดำเนินไปได้ในส่วนที่ทางที่ดีที่งามได้ใช่ไมไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เพราะว่ามีตัวกั้นก็คือตัวปานาติบาตเป็นตัวนิวรณ์ ตัวค่าเนี่ยเป็นนิวรเป็นเครื่องกั้นย่างใหญ่โตอันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุถึงความคับแคบและความกวนใจกวัวยเราใดพึงเกิดขึ้นเพราะปานาติบัาเป็นปัจจัยนะถามว่าความคับแคนความกะวนกวายใจเกิดขึ้นเพราะปานาธิบาเป็นปัจจัยเราเห็นไหมอ่ะยกตัวอย่างเช่นกรรมที่ส่งผลกันเนี่ยคนที่กําลังประสบทุกข์ต่างๆเนี่ยถามว่าเขาได้รับความสุขใจหรือทุกข์ใจนั้นแหละเพราะปานาธิบานะเป็นปัจจัยเป็นเหตุ ถ้าไม่มีปาณาติบาตในอดีตเขาก็ไม่ต้องมาคับแค้นใจในปัจจุบันฉะนั้นความคับแค้นใจที่เขาได้รับที่เกิดขึ้นความทุกข์ทรมานเนี่ยไม่ใช่พูดแบบซ้ำเติมนะพูดตามพระธรรมนะที่เขาได้รับถ้าเราถ้าอากุศลกรรมอย่างนั้นส่งผลเราเมื่อไหร่เราก็จะต้องได้รับความคับแค้นนะเป็นเหตุเป็นปัจจัย เมื่อบุคคลนเว้นจากปานาติบาตแล้วอาสวะที่เป็นเหตุแห่งความคับแค้นและกวนกระวายใจเหล่านั้นย่อมไม่มีอันนี้เขามีใช่ไหมคำที่เรากล่าวว่าปานาติบาตพึงล้าได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าเรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ทีนี้ถ้าไปพิจารณาตามพระธรรมคําสอนก็บอกเออเราไม่ปรารถนาที่จะคับแค้นใจจากโรคภัยไข้เจ็บ จากความวิบัติจากชีวิตนี่นะก็ต้องไม่ฆ่าก็ต้องไม่ทําปานนาดิบาตต้องงดเว้นจากการฆ่าการจะงดเว้นจากการฆ่านั้นก็ต้องเจริญเมตตาให้มากใช่ไหมการเจริญเมตตาให้มากก็คือรักต่อคนทุกคนใช่ไหมต่อสัตว์ทุกประเภทให้เยอะเวลาเจอเขาบอกว่าเออไ อ, อคําว่าสัพเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเนื้อนะืมันเห็นชัดนะ น, นะ อหางสุขีโต้โฮมขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเตินดวงนั้นหนึ่งบางทีเราแผ่เมตตาสัตตาอาเวลาห้นตูเนี่สเพสสัตส ต, ตาเวลาหนตูเป็นต้นสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนโถ่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีความสุขเดินดวงนั้นและปรารถนาความสุขก็คือมีความรักความเมตตา แสดงว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้แผ่จเจริญเมตตาเลยใช่ไเราจรึงทําปานาติบาตในปัจจุบันก็เจอโรคภัยไข้เจ็บประสบเคาะกรรมก็เรียกกันกนีเนมีคำว่าเคาะต่อท้ายเดี๋วก็มีเคาะขึ้น น, น, น, น, น, น, น, นั่นี่เป็นอย่างนี้นะี่เราก็เห็นเห็นกันอยู่นี่เป็นอย่างนี้เนี่ยแต่ถ้าหากในวี่ในของภรริยาเนี่ยนะท่านสอนให้ และเพื่อตัดสังโยชตัดนิวร์เกี่ยวกับการปธิบัติให้หมดนะีประการต่อมาก็คําที่เรากล่าวว่าอทินนาทานพึงละได้เพราะอาศัยการถือเอาแต่ของที่เขาให้อาทินนาทานคือการเอาของสิ่งที่เขาไม่ได้ให้เนะี่ยเรากล่าวเพราะอาศัยอะไรดูก่อนคือราบดียอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงถือเอาของที่เขาเราพึงถือเอาของที่เขามิได้ให้ เพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นบอกเออท่านจะตรึกตลอดมนาสิการตลอดเวลานีว่าเออเนี่ยเราเนี่ยปฏิบัติในการที่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้เพราะสิ่งอะไรเนี่ยถ้าใจยังอยากจะเอาสิ่งของอะไรของใครเนี่ยท่านปฏิบัติเพื่อที่จะละสังโยชน์คือเครื่องผูกเหล่านั้นเป็นธรรมดาของคนที่มีกิเลสคือโลภะเป็นต้นเนี่ยนะ สังโยชน์คือโลภะกามราคะสังโยชน์เป็นต้นเนี่ยเวลาเห็นวัตถุเนี่ยเห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสเห็นสัมผัสเป็นต้นเนี่ยจิตก็อยากได้ใช่ไหมถามว่าในคนที่ประกอบอาชีพทั้งหลายนีย่อยากรวยกันทั้งนั้นนลยนะเนี่ยกลุ่มเหล่านี้คือความคิดอยากที่จะได้อยากที่จะรวยเนี่ยแต่ถามว่าถ้าเราอยากได้อยากรวยเนี่ยแต่เราใช้ทุกวิชาทำ่าใช้ทุกวิชาเนะวิชามารก็กใช้ ลักขโมยก็เอาหรือว่าช่อโกงยังไงก็เอาเนี่ยถ้าในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติเพื่อไม่ละสังโยชน์แต่ถ้าผ้าอริยะท่านปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อที่จะละสังโยชน์เหล่านั้นเพราะว่าสังโยชน์เ ป, นเป็นเหตุนั้นท่านถึงเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นที่จริงน่ยท่านไม่ใช่ละอย่างเดียวท่านต้องการที่จะตัดให้เด็ดขาดด้วยใช่ไหมแ้วอย่างเราเนี่ยถามว่าในปัจจุบันเนี่ยเราละสังโยชน์คือข้อ อธินาทานนี้ได้ชัดเจนนี่ยังเนี่ยมองทําไมแล้วเราไม่รักล่ะเพราะยังไม่ได้เห็นสิ่งของที่ถูกใจหรือยังไม่ได้โอกาสอีกเยอะแยะนะเหตุปจัจจัยเยอะเขาเรียกไม่ได้ขณะบางไม่ได้โอกาสบ้างคําว่าไม่ได้ขณะไม่ได้โอกาสคือว่าบางครั้งขณะเนี่ยนะถ้าคนดีมีศีลธรรมทั้งหลายในะท่านมองไม่เห็นขณะมองไม่เห็นขณะเห่งการรักอย่างนีย้ยกตัวอย่างเช่นว่า เราจะไปลักเนี่ยสมมติถ้าคนอื่นไม่เห็นใช่ไหมคนอื่นไม่รู้เรารู้ไหมเราก็รู้เราก็เห็นเมื่อเรารู้เราเห็นเนี่ยนะปร ะ, ประเด็นต่อไปเอาสมมุติเรารู้เราเห็นก็ไม่เป็นไรแต่เทวดาเห็นเทวดาไม่เห็นใช่ไหมหรือไม่อย่างนั้นก็คือกลุ่มผุ้คนที่มีตาทิพย์ทั้งหลายเขก็เห็นอย่างนี้เป็น้นท่านตรึกละเอียดมากนะท่านจึงไม่น้อมที่จะประพฤติผิดคนที่บริสุทธิ์ทั้งทั้ง ตอนหน้าและลบหลังได้เนี่ยคนๆนั้นก็แปลว่าท่านมีฮิริระโอตะปาเป็นอย่างดีนะนี่เป็นอย่างนี้อันหนึง่งการถือเอาของที่ไม่ได้ให้แม้เนี่ยบอกว่าตนเองก็พึงติเตียนตนเองได้เพราะอธินาทานเป็นปัจจัยอันนี้แน่นอนอเนยนะ่างที่ได้กล่าวพิจารณาไปทีไรนะเคยไอ้พูดถึงตนเองเนะที่เคยรักสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยไม่เคยรักผลไม้คนคนอื่นก็ ไอมันสนุกสมัยหมก่อนเ น, น, นึกเงไปขึ้นลักของก้อน่นีนึกสนุกทีนี้แต่กิตทีไลมันทุกใจในทุกวันนี้ตังตั้งเนี่มันมีอีกครั้งเขาจับได้นะอดแ้นเด็กเด็กนะเพื่อนก็โยกเอาเลยรอ้ไรเขาจะดูต้นทางให้ก็ว่าขึ้นตั้งๆที่สวนมะม่วงเราก็มีอันเนี้ยแต่ถ้าไปขึ้นของคนอื่นมันตื่นเต้นก็ว่าไ้เด็กเด็กนะแล้วก็ไปขึ้นขึ้นพวกวิ่งหนีเจ้าของก็เจ้านะ เคยนึกอุ้อเนี่ยนึกตีเลไรทั้งๆที่มันไม่ได้มากมายเลยความเป็นเด็กเนี่ยจะของก็ตายไปแล้วแล้นึกตีอะไรก็นึกอุ้สแสดงว่าสนน่ยน <c> ะ <oughs> แต่คงจะเคยกันแทวทุกคนเนี่ยเนี่ยตรงนี้เหมือนบางทีก็รักสตังแม่บางอธทินาทานวินยูชนพิจารณาและกติเตียนภริยาทั้งหลา ย, ยหรือว่าคนท่านบุรุษพาะอาทินาทานเนี่ยเป็นปัจจัย เมื่อตายแล้วก็ทุคติก็เป็นอันหวังได้พ่อทินนาทานเป็นปัจจัยอาทินนาทานนี้แหละเป็นตัวสังโยชน์เป็นตัวนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุแห่งความคับแค้นควา ม, วามกวนกวายใจเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยอาทินนาทานนั้นเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลงดเว้นจากอาทินนาทานอาสวะที่เป็นเหตุแห่งความคับแค้นกวนกระวายใจเหล่านั้นย่อมไม่มีคําที่เรากล่าวอาทินนาทานพึงละเพราะอาศานานัยการถือ เอาของที่เขาให้เรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้อยู่เออถ้ามองอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าโทษละโทษของอาธินาทานที่เราเห็นเห็นกันอยู่ก็คือว่าเป็นตัวสังโยชน์เป็นตัวนิวรเ น, นี่ยเป็นเครื่องผูกแล้วก็เป็นเครื่องกั้นคุณความดีทั้งหลายถ้าหากว่ายังละอธินาทานคือการถือเอาสิ่งของเขาไม่ได้ให้ไม่ได้นี่ถ้าไม่ปฏิบัติหรือไม่เจริญเพื่อที่จะละ กรรมหรือพฤติกรรมการกระทำลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตัดสังโยชน์คือเครื่องผูกได้นต้องเจริญเพื่อที่จะละเลยเนะเพื่อจะละเพราะสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นกระแสจิตที่คิดในทางที่ไม่ดีเป็นอาสวะใช่หเป็นเครื่องหมักดองใช่ที่เกิดขึ้นถามว่าในชาตินี้เราอาจจะทำได้แต่ในภพต่อไปใช่ ถ้าเราไปเกิดในที่ที่มันจะต้องลำบากยากแค้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นดิ้นรนที่จะกระทําผิดอยู่ดีนั่นแหละแต่ถ้าตราบใดถ้าเราตรัสสังโยชนิวนได้อย่างเด็ดขาดเราก็จะไม่ต้องไปลำบากเดือดรบต่อไปอีกไม่ต้องไปแย่งทรับใครอีกแล้วถ้าอย่างนั้นโอ้ยแย่งเวลาเขาเกิดภัยต่างๆขึ้นมาเอาแล้วถือกระสอบถือถุงปุ๋ยไปแล้วทรับเนีย รถชนกันตูมเนี่ยพวกวิ่งกันไปเยอะๆไปเยะวิ่งไปช่ว ย, ยส่วนหนึ่งก็วิ่งไปเอาซัพยมันเป็นอย่างนี้จริงเนทนละ้กะนานเนี่ยต น, นานจริงๆว่าโอ้โหคนเราเนะไม่ได้ใส่ใจอะไรกันมากแล้วชีวิตอยู่ได้เอาเป็นพอเลยก็ว่ากันไปเขาเล่าให้ฟังวันก่อนเนี่ยไปในสวนป่าพระเพิ่งกลับมาจากอินเดียก็เลยบอกเลยจะไปแล้วเป็นยังไงโอ้โหช่วงนี้ยังไม่ควนไปเป็นไง ช่วงเลือกตังคเขาเนี่งมึงไม่ดีเลยว่าเขาไปโดนไล่ลงรถ <c oughs> ถามเป็นไงวะพอขับรถรถไปว่างนันแต่ว่าแขกเขาจะพูดว่าไม่มีปัญหาเนี่ยคำว่าแขกพูดว่าไม่มีปัญหาเนี่ยโอ้โหอย่าไปเชื่อเลยว่าเงั้นนะพอเรานั่งเป็นรถโคตรรถบัสไปรถของเราดีๆหน่อยใช่ไหมมันก็มันก็ปิดถน น, นแล้วมันก็ไล่ว่าเราลงจากรถแล้วมันก็เอารถนั้นไป จะไปเลือกตั้งมันแล้วมันจะไปทํากิจกรรมมันเขาไม่ว่ากันในช่วงเลือกตัง้งประชาชปไตยของตรัยก็มันไม่สนใจเรื่องพระนเรบาทเรื่องอทินาทานมินเป็นอย่างก็บอกเออเอาพี่จะไปฟังก็เล่าไปฟังท่ารอล่าฟังบอกเดี๋ยวเดี๋ยมันเลยช่วงเลือกตั้งไว้ก่อนเอกอย่างยังอยากไปไหมยังอยากไปนอย่างไรจะไปทอดเนี่ย หนาวหน่อยช่วงนี้ได้เลยเหนาวไปหน่อยก็ไล่ลงจากรถแล้วก็กองกันอยู่นั่นแหละคณะไหนไปก็ไปก็กองก็ไปกัน ไ, ไม่ได้ทีนี้โอ้โหกว่าจะติดต่ อ, อพอรถสองแถวธรรมดามาไปก็โว้ยท้งฝนตั้งเลยสาาะละพัดอะไรยัดเยีดยดกันเป็นบากเขาปองไปเพราะตัวบ่อสองว่าไปถึงที่ก่อนนัะนเองแล้วไปเคลียร์ปัญหาข้างหน้าแต่อย่างนั้นก็เสียเสียเวลาเป็นวั น, ว, นวันกันฉะนั้นโทษของอาทินนาทานเนี่ยนะก็อย่างนี้นี่แหละเราได้ทรับไปดีๆใช่ไหม โดนเนี่ยถ้าอย่างนี้เราก็พยายามเจริญกุศลให้เยอะๆก็แล้วกันอาจจะไปได้ถูกแย่งซ้ำเมื่อไหร <c oughs> ไหถูกแย่งสมบัติเมื่อไรก็มาช่วยเดินๆไม่จะถูกจีดถูกป่นกันเมื่อไรก็มตอนนั้นนี่ยธรรมะไม่ค่อยออกแล้วเนะื <c> ้อ <oughs> พิจารณาบอกเออจะเจริญกุศลอะไรกันนะจะเอ า, เอาถ้าไปเจอเหตุการณ์อย่างนั้นจะใช้คุณาธรรมข้อไหนก็มาช่วยจะพิจารณาอย่างนั้น บงคนโอ so like ้ยอย่าไปว่าเขาเลยเป็นกรรมของเราบอกเลยก็คําที่เรากล่าวว่ามูสาวาพึงละได้พ่ออาศัยวาจาสัตถ์ที่ทําสัตย์คําจริงเรากล่าวพราะอาศัยอะไรดูก่อนเครือหาบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงกล่าวมุสาวาเพราะเหตุหนึ่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้น อันหนึ่งเราพึงกล่าวมูสาด้วยตนเองตนเองก็พึงติเตียนตนเองได้เพราะมูสาวาตเป็นปัจจัยวินยูชนพิจารณาแล้วก็พึงติเตียนได้เพราะมูสาวาตเป็นปัจจัยเมื่อตายไปเนี่ยทุกขติก็เป็นอันหวังได้เพราะมุสาวาตนั้นเป็นปัจจัยมุสาวาตนี้แหละเป็นตัวสังโยชน์เป็นตัวนิวรณ์ อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุแห่งความคับแค้นความกวนกระวายใจเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะมูสาวาศเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลงดเว้นจากมูสาวาศแล้วอาสวะที่เป็นเหตุแห่งความคับแค้นและกะวนกวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคำที่เรากล่าวว่ามูสาวาศพึงละได้พ่อสายสัจวาจาคือวาจาสัตว์เรากล่าวพ่อสายข้อนี้คำว่ามูสาวาศมีคือคำที่พูด คําที่พูดไม่จริงเนี่ยนะมุสาวาตเนี่ยจะละได้เพราะอาศัยอะไรอาศัยคําศัพท์แล้วก็คําจริงทีนี้คําศัพท์และคําจริงนั้นน่ยนะจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยจากการที่เป็นผู้ที่สํารวมกายแล้วก็สํารวมวาจาเนะเพราะเกี่ยวกันในเรื่องของวาจาเนี่ยวาจาที่กล่าวเกี่ยวนในเรื่อ ง, องคําว่าไม่ ไม่มูสาก็ต้องเป็นคำพูดที่เป็นคำสัตว์ใช่ไหมคำสัตว์คำจริงเนี่ยจะเป็นคำที่ละมูสาวาดได้คำว่ามูสาวาดเนี่ยโทษน่โทษนะของมูสาวาดที่อยู่ตรงไห น, นอยู่การที่มึงกล่าวไปแล้วเนี่ยคำคำนั้นและคนอื่นเขาเชื่อทีทีนี้คำว่าคนอื่นเขาเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมมันอยู่ตรงว่าไอ้กรรมที่หนักหรือไม่หนักมันอยู่ที่ว่าเราไปพูด มูษากับใครไอคนที่เรามูษาด้วยใช่ไหมตามว่ามีคุณธรรมแค่ไหนอย่างไรและเรื่องที่จะมูสานั้นเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดไหน น, นี่เป็นอย่างนี้แต่เป็นตัวสั่งยอดไหมเป็นมีอาบายทุกขติวินิบาตนารกเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้าไม่ใช่ทีนี้บางคนก็บอกเอ๊ะถ้าเราค้าขายเนี่ยกลุ่มค้าขายเนี่ยหรือทําอะไรต่างๆเหล่านี้เราเราจะต้อง เราจะเราจะพูดยังไงเพราว่าเราจะพูดยังไงใช่ไหมที่จริงพูดทําจริงอย่งนี้แต่จริงๆอุบายในการพูดมันมีอะนี่คติการลาเป็นพระอนาคายังขายหม้อเได้เลยเก็บมีอาชีพ ป, ปั้นหม้อขายแล้วขายได้ก็ยังเลี้ยงพ่อแม่ที่ตาบอดได้ด้วยนั่นก็อยู่ได้ไม่มีครอบครัวเลยเนี่ แล้วไม่ขุดดินด้วยทั้งคิดด้วยถ้าพิจารณางนี้น่าจะลําบากอย่างไนชีวิตของ น, นั้นแต่ท่านไม่ลําบากเลยดินก็ไม่ขุดทั้งๆ ท, ท, ที่มีอาชีพในการที่ไปหาดินมาปั้นหม้อที่ท่านหายัางไงรด้ยไม่หาดินมาปั้นหม้อเนี่ยก็เอาดินที่มันพังตะลิ่งตามตะลิ่งที่มันพังหาเก็บดินย่งเงี้ยแล้วก็ที่จากหมูจากอะไรต่างเขาขุดมาก็ดินตรง น, นั้นนะมาก็มาปั้นหม้อเมื่อปั้นหม้อไปเสร็จแล้วท่านก็ไปวางขายเขาไแล้วเขียนเขาว่า แวท่านไม่เอาเงินถ้าพระท่านไม่จับเงินอะไรทองใช่ไหมไม่จับแล้วแต่ก็เขียนก็ว่าเอขอข้าวบางังขอทัวของาอย่างนี้เป็นต้นนึงถ้าปราถนาอะไรท่านก็เขียนก็ว่าแล้วก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทุกเงินนะแต่ถ้าปัจจุบันได้ไปทําเงินได้มนนไม่ได้ยคนิ้วไม่ได้แล้วนะแต่อย่าไปทำอย่างคติการลานะี่อันนั้นท่านเป็นพริยาธรรมแต่ใ น, นปัจจุบันก็ไม่ต้องถึงเงินเงนนั้น แต่ย่ามุสคําที่เรากล่าวว่าปิสุณาวาจาพึงล้าได้เพร่อสายวาจาไม่สอดเสียดเรากล่าวเพร่อสายอะไรดูก่อนขึ้รมเดียอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพิจารณาว่าเราพึงกล่าววาจาสอดเสียดเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เราใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่งเราพิจารณาเราพึงกล่าววาจาสอดเสียดแม้ตนเองก็พึงตีเตียนตนเองได้เพราะ การกล่าววาจาส่อเสียดเป็นปจัจจัยตนเองก็ต้องตีเตียนตนเองใช่ไหมในกลุ่มที่ว่าเออเราพูดเนี่ยในการที่จะไปส่อเสียดเพื่อพูดเพื่อประโยชน์แก่ตนแต่ทําให้คนอื่นก็แตกแยกกันเนี่ยวินยูชนพิจารณาก็พึงตีเตียนได้เพราะวาจาส่อเสียดเป็นปจัจจัยเมื่อตายไปก็มีทุคติวิญญติเป็นอันหวังได้เพราะวาจาส่อเสียดเป็นปจัจจัยปิสุนาวาจานี้แหละเป็นตัวสังโยชน์เป็นตัวนิวรณ์ อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุแห่งความคับแค้นความโกลงกยเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะวาจาส่อเสียดเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลงดเว้นจากวาจาส่อเสียดแล้วอาสวะที่เป็นเหตุแห่งความคับแค้นโกลงกยเหล่านั้นย่อมไม่มีคําที่เรากล่าวดังนี้ปิสนาวาจาพึงละได้เพราะสายวาจาไม่ส่อเสียดเรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้นะเออมองเห็นว่าวาจาส่อเสียดเนี่ยถามว่า เป็นตัวสังโยชน์ไหมเป็นตัวนิวรณ์ไหมเป็นเป็นเครื่องกั้นใช่ั้ยที่ไม่สามารถจะทำให้เรานั้นนะ่ะกลุ่มเหล่านี้คือไม่จะไม่งอกงามในไหนหรือไม่ไม่งอกงามทางด้านของกายคนที่ไม่ได้อบรมกายเนี่ยไม่อบรมวาจาเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่กล่าววาจาที่ส่อเสียดได้ทั้งๆที่ตนเองรู้แล้วก็ไม่คำานึงว่าการกล่าวไปเนี่ยวินยูชนท่านบุรู้จะตีเดียนไหมเนี่ย หรือเมื่อทําไปแล้วถามว่าเขาไม่เข้าใจไงว่าเมื่อเขาทําอย่างนั้นเขากล่าวสอเสียดอย่างนั้นแล้วเนี่ยทุคติเนี่ยเป็นอันหวังได้การที่เราเขาจะต้องไปเกี่ยวข้องในทุคติพบในทุคติภูมิเนยึยนเป็นโทษเนะี่ยแต่เขาก็มองตรงนั้นผ่านไม่เห็นเนี่ย น, นะคำที่เรากล่าวว่าความโลภด้วยสา ม, มารถถึงความกําหนัดพึงละได้พ่ออาศัยความไม่โลภด้วยความสา ม, มารถถึงความกําหนัดเรากล่าวพราะอาศัยอะไรความโลภเนะี่ย ดูก่อนเครื่องบัดีอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงมีความโลภด้วยความเราพึงมีความโลภด้วยสามารถแถึงความกำหนัดไอความโลภมีได้ด้วยความกำหนัดความยินดีความพอใจใช่ไหมเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชนเหล่านั้นอันหนึ่งเราพึงมีความโลภด้วยสามารถถึงความกำหนัดแม้ตนเองก็พึงติเตียนตนเองได้เพราะความโลภ ด้วยสา ม, มารถแห่งความกำหนัดเป็นปจัจจัยเออพิจารณาอย่างนี้ถามว่าในกลุ่มของคนที่ตึกพิจารณามาค่อนข้างที่จะดีเนี่ยก็จะเริ่มตีเตียนว่าเอาความยินดีความพอใจหรือความกำหนัดที่เองเป็นปจัจจัยเกิดความโลภความติดข้องทั้งหลายวินยูชนพิจารณาแล้วก็พึงติเตียนเพราะความโลภด้วยสา ม, มารถแห่งความกำหนัดเป็นปัจจัยเออท่านผู้รู้พิจารณร า, า, า, oo, ารณแล้วก็ตินเตียนนะ เมื่อตายไปแล้วทุคติก็เป็นอันหวางได้เพราะความโลภด้วยสามารถถึงความกาหนัดเป็นปัจจัยความโลภด้วยสามารถถึงความกำหนัดเป็นปัจจัยน <ently, S 2> ี่แหละเป็นต <Bem. S 1> ัวสมมั่งยศเป็นตัวนิวรณ์่างเียเป็นเป็นเครื่องกันถามว่าโลภนี่เป็นอะไรเป็นการมราคาสั่งยศเป็นภาวะราคาสั่งยศเป็นวิภาวะราคาสั่งยศก็ได้ตัวนี้เนี่ยความกาหนัดเนี่ยความกาหนัดความยินดีความพอใจใน การมพราพบในรูปะพบในรูปะพบนี่เป็นตัวเครื่องกั้นและก็เป็นตัวนิวรเป็นเครื่องผูกเลยนะตัณหาในเป็นเครื่องผูกทั้งนั้นเนี่ยก็สภาพของตัณหาเมื่อเกิดขึ้นในกระแสจิตเหมือนป่าดคึบ อ, อวิชาก็เหมือนกันอวิชาหรือตัณหานเนี่ยเป็นตัวตัวโลภะเนี่ยถ้าพูดถึงว่าขันที่เราได้ในปัจจุบันเนี่เพราะอาวิชายังไหมเพราะอาวิชตาตัณหาในอดีตเนี่ยเป็นปัจจัยทําให้เราได้ขันในปัจจุบันนี้ พอเราได้ขัดได้อัตภาพได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้กายกระใจมาแบบนี้ได้มาเป็นโรคร่างกายกระจายและในปัจจุบันเนี่ยถ้ามีตัญหามีอวิชชาในปัจจุบันมีความโลภมีความยินดีในปัจจุบันมันก็เป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องกั้นเราต่อไปไอ้เครื่องผูกและเครื่องกั้นเนี่ยมันก็ไม่ไม่สามารถที่จะทําให้เรานั้นฝ่าฟันหรือทะลุคุณธรรมชั้นสูงได้ มันเหมือนว่าปัญญาไม่สามารถที่จะเกิดได้เหมือนผ้าทิตย์เวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยะาทิตย์ไม่สามารถที่จะส่องแสงลงสู่ป่าทึบข้างล่างได้เนยเพราะใบไม้มันหนาแน่นปัญญาก็ไม่สามารถที่จะแทกเกิดได้ใช่ไหในขณะที่บาปอากุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นกันแล้วมากๆากเป็นนี้อันหนึ่งอาสวะเหล่าใดที่เป็นเหตุแห่งความคับแค้นความกวนกวายเหล่าใดเพิ่งเกิดขึ้นเพราะความโลภเป็น เหตุเป็นปัจจัยเนะีเมื่อบุคคลไม่โลภด้วยสามารถเป็นความกำนัดอาสวะที่เป็นเหตุแห่งความคับแค้นกวนกวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคําที่เรากล่าวว่าความโลภด้วยสามารถเป็นความกำลัดพึงละได้เพราะอาศัยความไม่โลภด้วยสามารถเป็นความกำลัดเรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ถ้าบอกว่าคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยสอนแล้วมีอัดแห่งการปฏิบัติอีกเยอะใช่ไหมถ้าพูดถึงกามถ้าพูดถึงเกี่ยวในเรื่องของความโลภเนี่ย ให้พิจารณาอย่างไงรู้ไหมถามว่าความโลภเนี่ยเราจะปฏิบัติเพื่อละความโลภเนี่ยเราจะใช้คุณธรรมข้อเนี่ยเราบอกว่าไม่โลภแค่นี้เพียงพอไหมเออเราจะปฏิบัติอย่างไงอะไรเลยเป็นตัวที่จะปฏิบัติเพื่อจะละความโลภนะฝึกจิตและเบื้องต้นคือฝึกการให้ให้มากเห็นไหมฝึกการให้ฝึกการสลับให้มากทีนี้เว้นไว้แต่วันไม่มีจะให้นะอันนั้นก็อีกอีกประการหนึ่งแต่ถ้าไม่มีจะให้ล่ะ ก็น้อมจิตที่จะให้น้อมจิตที่จะสละคือพยายามฝึกในการที่จะไม่ติดคล้องวัตถุสิ่งนั้นที่จริงถ้าพูดถึงบอกว่าพระพุทธเจ้านี่นะทานบาานบรารมีศีลบรารมีพูดถึงในเรื่องของทานบรารมีของพระพุทธเจ้านี่นะถามว่าในด้านของทานบรารมีธรรมดาพระพุทธเจ้าให้เหมือนเทน้ำออกจากกระบอกน้ำในกระบอกเนี่ยเทออกหมดนะ่ะออจิตที่คิดจะให้อย่างเราเรายังไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะเนี่ย ทีนี้ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเนี่ยสละอวัยวะดวงตาก็สละได้อย่างนี้อย่างนี้โอ้โหสูงเริ่มสูงแล้วไม่ต้องพูดถึงการที่ไปบริจาคเลือดเนี่ยอย่างเราเราก็ทํากันได้บริจาคเลยแต่บางคนแค่บริจาคเลือดนี่คิดหนักนีก็จิตสละอวัยวะอยนี้จิตที่คิดจะให้อย่างนี้ยทีนี้ถ้าสละอวัยวะสระบุตรสละภรรยาใช่ไหมสระซั์แล้วก็สละราชบัลลังก์นี้สูงสุดคือสระชีวิตนี่ ทำได้หมดลักษณะอย่างนี้คือกลุ่มตัดโลภะนั้นนะการปฏิบัติเพื่อที่จะละโลภะมีภิกษุท่านปฏิบัติทำที่จะละนีนะี่ท่านบอกโอ้ได้ได้บาทมาใหม่ซึ่งจากกลุ่มที่ญาติโยมก็ถวายรักมากห่วงมากท่านก็ น, น้อมเอาเอาสิ่งที่รักที่ห่วงที่สุดนะ่ยไปไปถวายอีกอีกองท่านปล่งท่านอย่างนี้นะีนั้นลักษณะงั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะละ ก็คําที่เรากล่าวว่าความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาพึงละได้เพราะสายความไม่โกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเวลาเราจะนินทาใครเนี่ยเพราเกิดจากความน้อยเนื้อต่ำใจความโกรธใช่ไหมความโกรธนั่นแหละเป็นเพดเป็นปัจจัยแห่งการนินทาแล้วว่ากล่าวทีนี้คํานี้เรากล่าวพร่อสายอะไรดูก่อนเรืองวัดีอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราพึงโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เราใดเราปฏิบัติเพื่อละปฏิฆาสังโยชน์ได้ความโกรธเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่งเราพึงโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาแม้ตนเองก็พึงติเตียนตนเองได้เพราะความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเป็นปัจจัยวินโยชนพิจารณาแล้วก็พึงติเตียนได้เพราะความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเป็นปัจจัย เมื่อตายไปทุกติก็เป็นอันหวังได้เพราะความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเป็นปัจจัยความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเป็นปัจจัยนั่นแหละเป็นตัวสังโยชน์เป็นตัวนิวรอนอันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุแห่งความขับแค้นความกวนกวายเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่โกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาอาสวะที่เป็นเหตุแห่งความคับ แค้นความกวนกยเราลลใดย่อมไม่มีคาที่เราเกล่าว ด, ดังนี้ว่า мой, ความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาพึงละได้เพราะอาสัยความไม่โกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเรากล่าวพราะอาศัยข้อนี้เกี่ยวในเรื่องของความโกรธความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเนี่ยการ stad, kind of material, นินทาการกล่าวตู่เป็นต้นเหล่านั้นเป็นมีความโกรธเป็นเป็นปัจจัยถามว่าไอความโกรธเนี่ยนะ ถ้าไปดูอีกข้อหนึ่งท่านบอกว่าคำที่เรากล่าวว่าความคับแค้นด้วยสา ม, มารถแห่งความโกรธพึงละได้เพราะอาศัยความไม่คับแค้นด้วยสา ม, มารถแห่งความโกรธเนี่ยเรากล่าวเพราะอาศัยอะไรดูก่อนคืรือหางวดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงคับแค้นด้วยสา ม, มารถแห่งความโกรธเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เราไดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้น อันหนึ่งเราเพึงคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธแม้ตนเองก็พึงติเตียนตนเองได้เพราะความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเป็นปัจจัยวินยูชนพิจารณาแล้วเนี่ยพึงติเตียนได้เพราะความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเป็นปัจจัยเมื่อตายไปก็มีทุกขติเป็นอันหวงได้เพราะความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเป็นปัจจัยความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเป็นปัจจัยนี้แหละเป็นตัวสังโยชน์เป็นตัวนิวรณ์ อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุแห่งความคับแค้นความกวนกวายเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่คับแค้นไม่สามารถด้วยความด้วยสามารถแห่งความโกรธอาสวะที่เป็นเหตุแห่งความคับแค้นกวนกวายใจเหล่านั้นย่อมไม่มีถามว่าถ้าหากละได้ความคับแค้นแห่งความด้วยความโกรธที่เป็นเหตุแห่งความกวนกวายใจย่อมไม่มี คำที่เรากล่าวดังนี้ด้วยความคับแค้นเป็นสามารถแห่งความโกรธพึงลาได้เพราะอาศัยความไม่คับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเรากล่าวเพราะอาศัยอย่างนี้ลักษณะของความโกรธนี่เป็นปัจจัยแก่การนินทาความโกรธนี่เป็นปัจจัยแห่งความคับแค้นใจทั้งสองความหมายดังที่ได้กล่าวนเนี่ยเออตรงนี้เราเห็นกันอยู่ที่ในกลุ่มของบุคคลที่เมตตาน้อยเนี่ยนะคือไม่ค่อยเจริญเมตตาเนี่ย ในกลุ่มที่ไม่ค่อยเจริญเมตตาในเวลาเห็นสัตว์และสังขารทั้งหลายก็โกรธคําว่าเห็นสัตว์และสังขารทั้งหลายแล้วโกรธเนี่ยในกลุ่มบุคคลที่โกรธง่ายทั้งหลายเนี่ยนะแค่เห็นสังขารไม่ต้องกลุ่มกับสัตว์บุคคลนะแค่สังขารเห็นสังขารเห็นบริขารต่างๆเนี่ยนะที่วางไว้เกลื่อนกล่นลกหูลกตานี่ก็โกรธแล้วก็มีความคับแคบในความน้อยเนื้อต่ําใจนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ทําให้ความโกรธนะ ผุดหรือเกิดขึ้นถามว่าเมื่อเกิดขึ้นอย่างนั้นน่ยถามว่าปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์เพื่อละนิวรณ์คือเครื่องกั้นเหล่านั้นไหมเพราะปฏิฆาเนี่โทสะเป็นปฏิฆะใช่ไหมเป็นปฏิฆาเป็นเครื่องกั้นถ้าหากคุณธรรมกล่าวคือเมตตาเป็นต้นไม่เจริญงอกงามเนี่ยความโกรธเขาก็มีกําลังเมื่อความโกรธมีกําลังก็ไปพิจารณาก็จะเห็นว่าความโกรธนั่นแหละจะเป็นปัจจัย ที่สุดจริงๆจะมีทุกคติเป็นไปในเบื้องหน้าก็ได้ได้ถามว่าคนเราบางทีเราอ่านไม่คิดนะนางที่บอกว่าในขณะที่มรณาสัญ น, นาการเกิดในการใกล้าตายเนี่ยนะ เ, เราก็จเจริญกุศลว่าเป็นอย่างดีแต่พอเราใกล้จะตายเป็นงดเงินสันิดเสียเลยเงดเงินเนี่ยแล้วยากด้วยนะอารมณ์ที่เราจะปิดกั้นความโกรธใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อละไว้ก่อนบางคนจะมีโรคอยู่ประจําตัวอยู่โรคเมือเครียด ถามว่ามันเครียดคือจะคิดจะไปคิดละเครียดตอนเครียดไปแล้วทีนี้ตอนเองในชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยปฏิบัติเพื่อละไม่ปฏิบัติเพื่อที่จะตัดสังโยชน์หรือนิวรณ์ที่เกี่ยวกับความโกรธใช่ไหมถามแล้วเขาปฏิบัติกันยังไงในกลุ่มนี้เขาจเจริญเมตตามากๆเนี่ยเขาจะเมตตาทุกๆคนเนี่ยเขาสามารถที่จะมองว่าเขาเมตตามีความรากักความปรารถนาดีเนี่ยถามเวลาเขา ไปหนะ้าที่ไหนเนี่ยนะเขาก็เริ่มจะฝึกตึกฝึกคิดแล้วว่าเออเนี่ยเราเห็นท่านพูดใดแล้วก็จะมีความรากักความเมตตาท่านผู้นั้นก็ปราถนาว่าขอให้ท่านเหล่านั้นมีความสุขพ้นจากความทุกข์ไม่มีเวรภัยนะพ้นจากเวรทั้งห้าไม่มีความทุกข์กายทุกใจรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาก็จะตึกพิจารณาเพื่อที่จะ ตั้งกระแสจิตในการที่จะเมตตาสัตว์และสังขารอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าเขาทําได้อย่างนี้จริงๆเขาก็ปฏิบัติเพื่อที่จะละโทสะที่ยังเป็นตัวสังโยชน์และเป็นตัวนิวรณ์อย่างเป็นตัวเครื่องกันยังมันไม่ทําเนื้อนะปฏิบัติเพื่อจะละตลอดเวลาบอกอย่าพูดยากก็แล้วกันถ้าพูดซ้ำซากบ่อยๆแล้วบางคนอยู่ด้วยกันไม่รู้จะโกรธกันก็โกรธกันเอง <laughs> น้อยใจกันเองแล้วก็ ไม่รู้จะไปโกรธใครว่าโกรธกันเองไว้ก่อนกวพูดไปพูดมาแล้วแต่เขาบอกเขารักมากนะคนนี้เขาว่ากันนี่ยน่ากลัวจริงนะเดี๋ยวว่ารักเดี๋ยวว่าโกรธไม่รู้จะเยายังไงบอกไม่ไม่แต่เขาบอกเขารักมากแล้วดูเหมือนเขารักมากจริงนะเนีเป็นวัตถุที่จะทําให้ตกนรกก็ได้ขึ้นสวรรค์ก็ได้จะเป็นอย่างนั้นจริงๆวัตถุทุกอย่างเนี่ยนะจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราตกนรกก็ได้ไปสุขติก็ได้ พิจารณาดีไปนิพพานได้ก็คือเนื้อคำที่เรากล่าวว่าความดูหมินท่านพึงละได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมินเราอะเรากล่าวเพราะอาศัยอะไรดูก่อนเคล้าหาวดีอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงดูหมินท่านเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เราใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่ง เราพึงดูหมิ่นท่านแม้ตนเองพึงติเตียนตนเองได้เพราะความดูหมิ่นเป็นปัจจัยวินยูชนพิจารณ า, าแล้วก็พึงติเตียนตนได้เพราะความดูหมิ่นเป็นของท่านดูหมิ่นท่านเป็นปัจจัยเมื่อตายก็มีทุกคติเป็นอันวางได้เพราะความดูหมิน่นท่านเป็นปัจจัยความดูหมิ่นท่านนั่นแหละเป็นตัวสั่งยชน์เป็นตัวนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุแห่งความคับแค้นความกวนกวายเหล่าใดเพราะเหตุแห่งความ โดมิน่นท่านเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่โดมิน่นท่านอาสวะที่เป็นเหตุแห่งความครับแค้นความกวนกวายเหล่านั้นย่อมไม่มีทาที่เรากล่าวว่าความดูหมิ่นพึงละได้โดยอาศัยความไม่ดูหมิน่นท่านเรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ทีนี้คําว่าโดมิ่นเนี่ยเป็นตัวมานะเป็นต้นเนี่ยนะมานะก็เป็นปัจจัยแก่การลง อ, อุบัยภูมิได้นะ ยกตัวอย่างถ้าในกลุ่มมาน่าดูมินดูมินลักษณะหลายอย่างเลยนะเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าต่ำกว่าเขาเป็นผู้ต่ำกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาต่ำกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอต่ำกว่าเขาสําคัญตัวว่า ต่ำกว่าเขาไอเสมอเขาสําคัญตัวว่าเลิอดกว่าเขาไอเสมอเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเสมอเขาสําคัญตัวว่าต่ําหรือเร็วกว่าเขาเนี่ยกลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มดูหมิ่นท่านทั้งนั้นไปดูมิ่นเขาหลายฐานะดูหมิ่นเขาว่าสูงดูหมิ่นเขาว่าแย่ดูหมิ่นเขาว่าเสมอเราเนี่ยเขาก็พอๆกันเราไอการลักษณะการดูหมิ่นแต่คําว่าดูหมิ่นแล้วมันตามมาด้วยบาปเนี่ย มันไม่โดมิ่นอย่างเดียวเนะีะมันตามมาด้วยการทําบาปตามมาก็อีกเยอะฉะนั้นการโดมิ่นแล้วเนี่ยมันจะตามมาด้วยการทําบาปเช่นถ้าเราจะโดมิ่นใครสักคนเนี่ยมันจะตามมาด้วยการนินทาวา่าร้ายการประทุษร้ายอะไรต่างๆใช่ไหมดูก่อนเครื่หาวดีทำแปดประการที่เรากล่าวโดยย่อมไม่ได้จําแนกโดยพิสดารย่อมเป็นไปเพื่อลักเพื่อตัดวหัหันในวิไนของภระยะิยานั้นเหล่านั้นแล้วดูก่อนเครื่อหาวดีแต่เพียงเท่านี้ จะได้เชื่อว่าเป็นการตัดวัหานทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของภริยาก็หาไม่บอกเอ๊ที่กล่าวเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ข้อปฏิบัติเพื่อที่จะตัดละละในธรรมวินัยทั้งสิ้นนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสก็อย่างไรเล่าจึงจะเชื่อเป็นการตัดในวรหานทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของภริยะ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็การตัดวัวหารทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการแลทั้งปวงในวินัยของพะริยะมีได้โดยประการใดขอพระผู้มีพระภาคเจ้านะจงแสดงธรรมแก่ข้าพระเจ้าโดยประการนั้นเถิดดูก่อนก็ได้วดีถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจดีเราจะกล่าวนะโปรตรยาบุตรก็ทูลรับพระพุทธเจ้าแล้วนะนี้พระพุทธเจ้าจะอุปมานะอุปมาเจ็ดอย่างพระพุทธเจ้าได้ตรัส พุทธพจน์ว่าดูก่อนก็เรียกว่าดีเปรียบเหมือนสุนัขอันพร้อมเอออันอันสุนัขนั่นนะเปรียบเสมือนสุนัขอันความเพลียถึงพร้อมด้วยความเพลียความหิวหิวก็หายระ้เบียดเบียนแล้วพึ่งเข้าไปเยืนอยู่ใกล้เขียงของนายโคคาดรู้จักนายโคคาดไหมคำว่านายโคขาดคือคนฆ่าโคคนฆ่าวัวเนี่ยเนคนฆ่าโคเนี่ยเขาจะมีเขียงเขาเรียกเขียงหั่นเนื้อ เียงสับเนื้อ <S <S เขียงหั่นเนื้อเนี่ยสุนัขมันไปยืนใกล้ๆนายโคค่าหรือลูกมือของนายโคค่าผู้ฉลาดคขาไม่ฉลาดอย่างนั้นคือฉลาดในการชำละเนื้อเนอะฉลาดเนยฉลาดในการฆ่าแต่ไม่ใช่ฉลาดในในพระทํ า, ทาคําสอนก็อะอย่างนั้นแล้วพวกนี้ฉลาดถ้าพูดถึงความฉลาดต้องพวกนี้นะเขาฆ่าด้วยด้วยความสามารถจริงๆเนะียเร็วมาก มีดเขาดีอาวุธในการที่จะฆ่าก็ดีเนี่ยเขาทาอย่างอย่างดีนะสามารถที่จะใช้เวลาไม่นานในการที่จะทุบจะฆ่าเลยถ้าเราไปเห็นโรงเชือดหรือโรงฆ่าเนี่ยเราจะกลับมาบวดหัวกันทั้งนั้นเลยเคยไปดูไหมโอ้โหน่ากลวัวจริงน่ากลวัวท่านในสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาเขาฆ่าเนี่ยเขามีถ้ากลุ่มฆ่าหมูนายสุกรมัมมาทวเอานายเอ๊ ในจุนท้าคนที่ชอบฆ่าหมูเนี่ยก็จะทุบเอาหมูเนี่ยมาทุบทุบยังเป็นเนเนี่ยนะทุบให้กระดูกมันล่อนกันนะเขาใมีการทุบมั น, น, น, นทุบให้ละเอียดกั น, นถึงจะไปต้มอีกดีแล้วก็ถึงจะขูดหนังออกคือเขาเขามีวิธีการทำของเขาเนี่ยนายโคคาาลูกมือของนายโคค่ผู้ชลาดก็พึงโยนล่างกระดูกที่เชืออช้ำแหลกออกจนหมดเนื้อแล้วเปื้อนแต่เลือด ไปยังสุนัขชั้นใดไอค้คำว่าคาว่าร่างไอ้ร่างกระดูกเนี่ยมันแปลว่าไอ้เนื้อคือมันไม่มีเนื้อแล้วใช่ไลอกหนังออกเอาเนื้อเอาสิ่งต่างๆออกเหลือแต่กระดูกแต่ในกระดูกนั้นมีเลือดติดอยู่นั่นแหละไอ้กระดูกที่มีเลือดติดอยู่นั่นแหละเขาโยนให้ดูก่อนก็เร้วแว่ดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนะสุนัขนั้นเนี่ยแท้ร่างกระดูก ที่เชื่อช้ำแหละออกหมดเนื้อแล้วเนี่ยเบื่อนแต่เลือดจะพึงบำบัดความเพลียความหอยหิวได้บ้างเลยเนาะมันจะได้ไหมมันไม่มีเนื้อแล้วเนี่ยแต่สุนัขนั้นจะบำบัดความหิวโหยได้ไหมไม่ได้เลยเพระองค์ผู้เจริญนันจะไปได้ได้ยังไงใช่ไหมเพราะมันมีแต่กระดูกมันกินได้ที่ไหนมันก็ยังหิวอยู่นั่นแหละแต่มันก็กัดใช่ไหมมีแต่เลือดติดนิดหน่อย ข้อนั้นเพราะเหตุไลไยเพราะเป็นร่างกระดูกที่เชือดช้าแหละเนื้อจนหมดแล้วเหลือเปื้อนแต่เลือดและสุนัขนั้นก็พึงมีแต่ความแห่งความเหน็ดเหนื่อยและความคับแค้นเท่านั้นเขาบอกว่าแต่มันก็แท้นะแต่เหนื่อยใช่ไหมพอมันหิวโหยโซซ่โซเซไปเนี่ยมันก็แทะร่างกระดูกอย่างนั้นเนะี่ยแล้วก็มีแต่เลือดติดอยู่กระดูกนิดหน่อยนะพิจารณาเห็นว่าคําว่าอริยส า, าวกอริยส า, าวกนี่คือผู้ที่ เป็นบริยัตินี่นะท่านพิจารณาเห็นว่ากามทั้งหลายพระพุทธมีภาจกาตรัสว่าเปลี่ยนเสมือนร่างกระดูกมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามที่มีโทษอย่างยิ่งโทษในกามมีโทษอย่างยิ่งขั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่เป็นที่มีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความ ที่มีความเป็นอารมณ์เดียวนะีอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นความอันเป็นไปที่ดับอันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิตรด้วยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือไม่ได้ในกลุ่มนี้ท่านเจริญอุเบกข์สัมสพเพอชงเป็นต้นเนี่ยนะในกลุ่มเนี้ท่านวางจิตเนี่เป็นกลางต่อต่อกามทั้งหลายได้คําว่ากามทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนล่างกระดูกดังที่ได้พิจารณาดูเนี่ยแปลว่า ร่างกระดูกเนี่ยถามว่าสุนัขมันจะเพียงพอไหมมันจะอิ่มไหมมันยังจะหิวอยู่ไหมถามว่าแล้วในวัตถุการมทั้งหลายที่เราเสพเราบริโภคกันเนี่ยถามว่าเคยบ้างไหมที่เราอิ่มในการที่จะอุ้ยไม่ต้องการตายอีกแล้วไม่ต้องการหูไม่ต้องการจมูกไม่ต้องการลิ้นไม่ต้องการและไม่ต้องการใจไม่มีไหมไม่ต้องการเสื้อผ้าไม่ต้องการที่อยู่เพียงพอแล้วเนี่ยเพียงพออย่างนี้ก็เสริมอีกอย่าง เห็นไหมการทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้มันมีโทษมากเหมือนล่างกระดูกเหมือนสุนัขแท ะ, แทะโครงกระดูกอะโลภะนี่นะที่เป็นเหตุแห่งการอาจจะเป็นโลภะก็ได้โทษสะก็ได้เป็นต้นที่เกี่ปัจจัยเนี่ยนะถ้าบุคคลไม่ไม่มีอุเบกขาในการที่ปฏิบัติที่จะวางเฉยต่อร่างกระดูกต่อซับต่อตามเหล่านั้นนะเนียมันไม่พอทีอาบางคนบอกว่าถ้ามันไม่มีจะทำยังไงใช่ไหมไอ้มันไม่มีเนี่ย ถามมาจริงๆริงไงมันมีถ้าปฏิบัติไปถามว่าถ้าหากวางจิตใจเพื่อจะพิจารณาเห็นโทษของกาลอย่างนั้นจริงๆได้เนะนี่ยถ้าเราดูคําสอนหนึ่งท่านบอกว่าดูก่อนข้าวันดีเปรียบเสมือนแรงก็ดีนกตะกลมก็ดีเหยวก็ดีเนี่ยพาชิ้นเนื้อบินไปแรงทั้งหลายนกตะกุมทั้งหลายหรือเหี่ยวทั้งหลายจะพึงโผล่เข้ารุมจิกแย่งชิงเนื้อนั้นชั้นใดดูก่อนข้าวดี ท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นแไหนถ้าแรงนกตะกุมแล้วก็เหี่ยวตัวนั้นไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อนั้นเสียมันก็จะพึงตายหรือถูกทุกปางตายเพราะชิ้นเนื้อนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเออถามว่าในขณะที่เหี่ยวก็ดีแรงก็ดีนกตะกุมก็ดีเนี่ยนะมันได้ชิ้นเนื้อชิ้นหนึ่งแล้วก็บินไปโอ้โหถ้าหากไปอินเดียจะเห็นในะนกแร้งเนี่ยแแรงนี่ยเยเิงยิงถ้าหากว่า แล้งตัวไหนมันได้มันได้ชิ้นสุนัขหรือซากสุนัขเน่าไปสักซากนึงเลยนะถ้ามันไปกินอยู่ถ้าหากมีแล้งหรือสัตว์อื่นเข้ามาปุ๊บถ้าอีกตัวนั้นไม่รีบหนีตายอย่างเดียวเนยะตายเลยมันมากขนาดนะั้นมันล้มจิตกินตายเลยบอกงั้นเด็กหรือสัตว์อื่นเนี่ยนะถ้าสัตว์ต่างชนิดต่างเพศด้วยแล้วเนี่ยโอ้มันเล่นตายเลย เ, เลยเลยตัวมันใหญ่มากสูงขนาดเอวตัวใหญ่ขนาดนะั้นจริงๆน่ากลัวมาก แค่เห็นมนันี่ต้องเรียบวิ่งหนีนต้องเรียบเดินหนีถ้ามันจะลุมเล่นงานคนคนก็น่าจะตายถ้าคนเดียวนี่สู้ไม่ได้ดูก่อนข้าวดีอริยะสาวก็ฉันนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าการทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเปรียบเสมือนชิ้นเนื้อเนี่ยการที่เราเหมือนชิ้นเนื้อมีทุกขมากมีความก้าวแค้นมากในกาลมันมีโทษอย่างยิ่งั้นเห็นโทษแห่งการทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วยปัญญาชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่ง อุเบกขามีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นในโลกามิติด้วยประการและทั้งปวงหาส่วนเหลือมีได้ตัวอุเบกขาในตัวความเป็นกลางตัตระมชตตาเนี่ยนะจะเป็นความเป็นกลางของสภาวธรรมเริ่มตั้งแต่ธรรมวิจยสัมโพชงใช่ตัวปัญญาที่เข้าไปวิจัย สติสามโพชงวิริยะสามโพชงปีติปัสสัต t h สมาธิและปัสสัต t h และอุเบขาเนี่ยนี่ยสาโพชงเนี่ยตัวโพชงเนี่ยไอตัวอุเบขาจะเป็นตัวจัดสรรคุณธรรมให้มีคุณธรรมมีความสมจำเสมอในการที่จะทําความจเจริญงอกงามในกุศลธรรมแล้วก็สามารถที่จะวางจิตต่อสิ่งนั้นถ้าเราพิจารณาท่านพิจารณาเห็นโทษใช่ไหมเห็นในความเป็นชิ้นเนื้อ มันเหมือนว่าซับเนี่ยเป็นชิ้นเนื้อเป็นชิ้นเนื้อแย่งกันนะถ้าหากว่ายังติดข้องในสิ่งนั้นเราก็ต้องตายนี่สเพราะสิ่งนั้นเราต้องตายกับมันแน่กับสิ่งนั้นนะใช่ไหมจ๊ะตายแท้ที่จริงเนี่ยพระเจ้าอุปมาเหมือนนกแดงนกตะกุมและเหี่ยวอะ่ะได้ชิ้นเนื้อไปสักชิ้นเนี่ยก็ถูกลืมทิ้งเราได้อะไรมา ยังชี้ได้อะไรมาได้ตาได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายมาเนี่ยเป็นชิ้นเนื้อได้ชิ้นมนได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจไตตาฟังผื่นเนี่ยได้ชิ้นเนื้อมาได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้กายกับใจมาเนี่ยอุปมาเหมือนชิ้นเนื้อเมื่อได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วเนี่ยถามว่าถ้ายังติดข้องสิ่งเหล่านี้เราก็ตายเพราะการยึดถือในสิ่งเหล่านี้นั่นแหละ เหมือนแง้งเหมือนเหี่ยวเหมือนนกกระพุ้งนั่นแหละที่ได้ชิ้นเนื้อไปก็ถูกแย่งเดี๋ยวเข้าไปหมดแลย้ยใช่ไหมเนี่ยถูกยื้แย่งหมดเลวมีอะไรก็แย่งไปหมดเลยทฉะนั้นท่านจึงปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อจะละในสิ่งเหล่านี้จริงๆ ร, ง, รงนี่มดูก่อนขณะอ่ดีเปลียบเสมือนบุรุษผู้ถือคบเพลิงญ้าอันไฟติดทั่วแล้วรู้จักคบเพลิงย่างหะ เดินทวนลมไปชั้นใดดูก่อนก็แล้วแต่ท่านจะสําคัญข้อนั้นเป็นชไหนถ้าบรุษนั้นเมื่อรีบปล่อยคบเพลิงหญ้ามันไปติดทั่วนั้นแล้วคบเพลิงหญ้านั้มันไปติดทั่วนั้นก็พึงไม่มือไม่แขนแล้วเอาอ ว, วัยวะน้อยใหญ่แห่งใดพึ่งบูดนั้นบุรุษนั้นจะพึงถึงตายแล้วก็ถึงทุกต่างตายเพราะเหตุแห่งคบเพลิงนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะ อย่างนั้นพระองค์ผู้จเจริญดูก่อนข้าเรื่องมาดีอริยาสาวก็ฉันนั้นย่อมพิจาราเห็นดังนี้ว่าการทั้งหลายถ้าผู้มีประภาค้าตรัสว่าเปรียนเสมือนครบ้ามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามที่มีโทษอย่างยิ่งท่านเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆ และเจริญอเวขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับแห่งความถือมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมิได้คําว่าโลกามิตรนี่ท่านแปลว่าเหยื่อของโลกเหยื่อของเหยื่อของมานที่มาโปรโยทิ้งเอาไว้ทั่วไปหมดเลยนะโปรโยรูปโปรยเสียงโปรยกลิ่นโปรยรสโปรยสัมผัสโปรยอารมณ์ต่างๆเต็มไปหมดเลยนะ เขาเรียกว่ามาโปรยกับดักเขาว้เพวกเราเปรียบเสมือนเนื้อนะมานี่เปรียบเสมือนในพานนะเอาบ่วงมามาดักเขาไว้มันดักเนื้อแต่ใส่เหยื่อล่อเขาว่าทีนี้เนื้อที่ไม่ฉลาดก็จะเดินไปไปหากินเนื้อพอไปเจอเหยื่อก็จะกินเหยือ่อแต่พอกินเหยื่อก็ติดบ่วงติดกับดักออกไม่ได้ นี่เขาปโปรยอะไรให้เนี่ยก็าปโปรยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ใช่ไมเขาปโปรยให้นีแล้วก็ยังโลรยสิ่งที่เนื่องด้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยเนี่ยทั้งที่มีสังขารที่มีวิญญาณและสังขารที่ไม่มีวิญญาณเนี่ยนี่ก็โปรยเขาไว้หมดใช่นั่นคือกับดักแต่ถามว่าถ้าติดก็ตายอ่ะ ท่านอุามาตรงนี้ท่านโอบามาเหมือนคบเพลิงหรือคบหญ้าไอ้หญ้าที่มันติดไฟอ่ะหญ้ า, าติดไฟแล้วไม่พอใช่ไหมแล้ววิ่งทวนลมะที่จริงๆไม่มือไหมไม่มือหรือมั่งแล้วไม่ร่างกายทําให้ตนเองต้องเดือดร้อนฉันได้ไม่ปล่อยถือแน่นอย่างนั้นเราบอกโอ้ยร้อนมากมันไม่มือเราแล้วไม่ก็ไม่ยอมปล่อยนะ ตาเนเป็นของร้อนพุทธเจ้าร้อนพระไปคือราค่าร้อนพระไปคือโทสาร้อนพระไปคือโมหะร้อนพระชาติชราวรณาโสกกาปริเทวะทุกขโทนะส า, าอุปายาสหูก็เป็นของร้อนจมูกก็เป็นของร้อนใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นของร้อนใจก็เป็นของร้อนตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของร้อน ร้อนเพาไฟคือราคาไฟคือโทสาไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชรามรณาโสกปริเทวะทุกขโทมนาสะอุปายาตเนี่ยอริยาสาวกเห็นเป็นคบเพลิงยิงยิงใช่ไหมท่านเห็นเป็นคบเพลิงยิงท่านปฏิบัติเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางสิ่งนั้นท่านเห็นด้วยปัญญาชอบไหมท่านพิจารณาแล้วแล้วเห็นอยู่เนืองเนืออ่ะพิจารณาแล้วแล้วเราเล่าเห็นว่าโอ้ยท่านจึงปฏิบัติเพื่อที่จะละ คบเพลิงกันนี้เพื่อจะทิ้งคบเพลิงกันนี้ทั้งแตนเรามองยังไม่เห็นเป็นของร้อนเท่าไหร่นี่ยังไม่เห็นเป็นของร้อนเท่าไหร่พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าดูก่อนคือรื่อหาาดีเปรียบเสมือนหลุมฐานเพลิงลึกชั่วบุรุษหนึ่งหลุมฐานเพลิงลุกลึกชั่วบุรุษหนึ่งเต็มไปด้วยฐานเพลิงอันปราศจากเ ป, วปลวปราศจากควันบุรุษผู้รักชีวิต ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ก็จะพึงมาบุรุษที่กำลังที่มีกำลังสองคนก็ช่วยจับแขนบุรุษข้างละคนฉุดเขาไปยังหลุมทานเพิงนั้นฉันใดดูก่อนเรื่องวดีท่านจะสาคัญข้อนั้นเป็นฉนะไหนบุรุษนั้นจะพึงน้อมกายเข้าไปด้วยคิดว่าอย่างนี้บ้างหรือไม่เป็นอย่างนั้นเลยกงน ถ้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุรุษนั้นเพรรู้ว่าเราจักต้องตกลงไปในหลุมฐานเพรืงนี้จักถึงตายหรือถึงทุกปางตายเพราะการตกลงไปได้หลุมฐานเพรืงนั้นเป็นเหตุเออถามว่ามีคนจับเราจะโยนลงไปในหลุมฐานเพรืงที่ไม่มีควันเนี่ยนะแสดงว่าร้อนจริงๆเนะีไม่มีควันเนี่ยปราศจากเปนะลวเนี่ยร้อนมากๆหลุม่านเพรืงนะั้นนี่ย ร้อนจนไม่มีเปลวเนะ่ร้อนจนไม่มีควันเนียนะถ้าประเภทยังมีควันติดอยู่เนี่ยถ่านที่เราสมเนี่ยนะเคยเคยเผ า, านนถ่านมไ้มเคยเผาถ่านอะไรไปเล ย, คยเคยสมถ่านเนี่ยนะแต่คนอยู่ตามไร่ตามสวนนี่รู้โอ้ยถ้าควันขึ้นเนี่ยยังไม่ร้อนจัดเนยถ้าจัดจัดแล้วเนี่ยแปลว่าควันหายเลยแล้วไม่มีเปลวแล้วไม่มีเปลวพุ่งขึ้นแล้วโอ้โหถ้าอย่างนั้นร้อนจริงๆ นี่มีคนจะจับเราใช่ไหบุรุษที่มีกําลังสองคนจะจับแขวะแขนเราเนี่ยจะโยนเราลงไปในหลุมนึงเราเออทางนั้นเราจะน้อมตัวลงเลยว่างั้นแต่น้อมคว้ตัวลงด้วยความยินดีเลยนีบ้างไหมก็ไม่มีพอคิดไปในนั้นถ้าโดดลงไปมันตายไงมันจะต้องถึงปะตายหรือปางตายเนี่ยดูก่อนขึ้นนะฮะบดีอริยะสาวกวาฉันนั้นย่ำพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายเนี่ย รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกเล้นกายแล้วก็ใจใช่ไหมขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นไปในความเป็นสัตว์บุคุณเนี่ยนะการทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเปลียนเสมือนหลุมฐานเพลิงมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในการมนี้โทษในการมมีโทษอย่างยิ่งท่านเห็นโทษแห่งกรรมนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งโอเบกคาที่มีความเป็นต่างๆ อุเบกขาที่เป็นไปต่างๆอุเบกขาที่มีอย่างยกตัวอย่างเช่นอุเบกขาในอะารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่เอาแล้วอาศัยความเป็นต่างๆแล้วจเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวบอกไม่เจริญอุเบกขาในอารมณ์ต่างๆเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวตั้งมัน่นมีเอกขตาเป็นอารมณ์ในขณะนั้นนเออมีเอก e ขตาตั้งมั่นแล้อาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความ ถือมันในโลกามิตรทั้งปวงนั้นเสียหาส่วนเหลือมีได้เออาถามานี้ว่ากามทั้งหลายเนี่ยนะโทษของขันห้าเนี่ยถามในปัจจุบันมันมองไม่เห็นขนาดนั้นใช่ไหมว่าโอ้โหเหมือนคนจะจับเราโยนลงไปเนี่ยถ้าจะไปเกิดใหม่เนี่ยไปเกิดใหม่เนี่ยไปปฏิสนที่ใหม่เนี่ยถามว่าตอนนี้พร้อมหรืยอยังใครพร้อมปฏิสนที่ใหม่หรือยังบอกไม่พร้อมเลยไม่พร้อมปฏิสนที่ ถ้าพร้อมหรือถ้าพร้อมปฏิสุนท่ถามว่าที่ปฏิสนทิที่เกิดควรจะไปเกิดที่ไหนมันเหมือนอยังไงเหมือนบุรุษเนะ่ยสองคนที่มีกําลังจับแขนเราคนละข้างแล้วโยนลงในหลุมทธารเพลิงฉะนั้นการไปเกิดใหม่เป็นอย่างนั้นนี่น่ากลัวมากการไปเกิดใหม่ไอ้ที่เกิดเก่าก็ยังยังเจ็บปวดอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ที่ไปเกิดใหม่ใ้ชีวิตมันเป็นอย่างนี้ถามบางคนบอกอู้เจริญกุศลมาแล้วไม่กลัวตาย ถ้าเป็นพระอริยะท่านไม่กลัวจริงๆถ้าเป็นพระหลานเนี่เนะี่ยท่านน้อมที่จะตายคือจริงๆท่านตายแล้วท่านไม่มีปฏิสนธิครับแต่ถ้าเราเนี่ยมันมีปฏิสนธิอีกไงฉะนั้นการมีปฏิสนธิอีกจึงเป็นความทรมานมากเพราะจะต้องเหมือนถูกโยนลงไปในหลุมฐานเพิงเอ๊ะถ้าถามว่ามาเกิดเป็นมนุษย์นี่จะเหมือนลอยโยนลงในหลุมฐานเพองได้ยังไงใช่ไหมเลยในสุขติเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ย ไม่น่าจะปริอุปมาเหมือนการโยนลงในหลุมธานเพลิงเลยแต่ถามว่าแล้วหลังจากนั้นมาเต็มไปด้วยชาติทุกข์ชราทุกข์มาแล้วนะทุกข์ไหมล่ะฉะนั้นทุกในการที่จะต้องมีตาก็ต้องบริหารตานะมมันก็คือหลุมธานเพลิงดีๆนี่แหละทุกในการมีหูเนี่ยเรามีใบหน้ากันคนละใบเนี่ยเขาเรียกใบหน้าคนละใบนแค่นี้ถามว่าหมดเดยอะนะสิ้นเพลิงเยอะนะ แค่แค่หน้าแค่ตรงเนี้ยแค่สรีระตรงเนี้ยเนะี่ยต้องหมดเยอะเลยแค่มีศรีสาวคนสีเอคนศรีรษะคนหัวคนหัวเนี่ยเนะี่ยโอหมดเยอะต้องยุ่งยากกับการมีหัวเยอะลำบากมันเป็นอย่างนี้นี่ก็คือมันเป็นหลุมด่านเพลิงจริงๆนะไปโอ้โหมันเป็นไฟอะ่ะเป็นไฟทั้งนั้นเลยมันจะต้องไปเกี่ยวข้องแล้วจะต้องมี ช, ชาติทุกชราทุกขมรณะทุกเพราะการมีสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเนะี่ยถามว่ามันเป็นที่ตั้งของราคะไหม การมีตาหูจมูกเล่นกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของราคะความกำหนัดยินดีไหมเป็นเป็นที่ตั้งของไฟอะ่ะไฟคือราคะเป็นที่ตั้งของโทสะไหมหงุดหงิดน้อยเนื้อต่ำใจเยอะเนยมองทีไรก็ไม่เหมือนเก่าก่อนอที่การมองอย่างนี้มองอย่างก็โกรธแล้วนี่เป็นที่ตั้งของไฟแล้วอย่างก็คือเป็นที่ตั้งของโมหะเป็นที่ตั้งของชาติชรามรณโสการิเทวทุกโทมนาสาุปายะ นี่ลักษณะอย่างนี้เป็นหลุมทานเพิงดูก่อนคขนเาเดีเปรียบเสมือนบุรุษพึงฝันเห็นสวนอันหน่ารื่นลมป่าอันหน่ารื่นลมท่าพื้นอันหน่ารื่นลมสะโบกครณีอันหน่ารื่นลมบุรุษตื่นขึ้นมาแล้วไม่พึงเห็นอะไรฉันใดดูก่อ น, ขนเขาเมาดีอริยาสาวกอาจารนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้กามทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเปรียบเสมือนความฝัน มีทุกมากมีความคับแค้นมากในกามมีโทษอย่างยิ่งเห็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วยปัญญาชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาซึ่งมีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นในโลกามิตธโดยประการอะทั้งปวงหาส่วนเหลือมีได้กรรมเนี่ยเปรียบเสมือนความฝันอันในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย อันนิมนนิมนครับนิมนนิมนนิมต น, นั่งได้เลยนิมนต์อะไรนั่งไม่เป็นไร <c oughs> นั้นมาพิจารณาอย่างนี้แล้วนะว่ากามทั้งหลายนะั้นอุปมาเหมือนบุรุษที่ฝันนั่นเองเออถ้าหากว่าเห็นอยู่อย่างนี้แล้วมันเหมือนอย่างนั้นจริงๆเออนั่งข้างบนได้นั่งข้างบนนั่งข้างบนนั่งเก้าอี้ได้นั่งเก้าอี้ พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเปรียบเส ม, มือนบุรุษเนะี่ยพึงฝันเห็นสวนอันน่ารื่นลมใช่ไหมป่าน่ารื่นลมหรือท่าพื้นอันน่ารื่นลมสะบกที่น่ารื่นลมเหมือนเราฝันกันทั้งหลายเนี่ยนะกางเหมือนที่เราฝันกันเนีนะ่เคยฝันไปเที่ยวสวนที่น่ารื่นลมสะที่น่ารื่นลมพื้นแผ่นดินที่น่ารื่นลมหรือฝันเห็นสิ่งสวยๆงามๆเนี่ยต่อมาแล้วตื่นขึ้นมา อา้ามันไม่ใช่จริงเนี่ยไอ้ที่ผ่านผ่านมาเนี่ยเหมือนฝันหมดเลยเนี่ยใช่ไหมที่เคยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเคยมีสิ่งโน้นสิ่งนี้ใช่ไหมก็นั่งมานั่งเล่ากันอย่างนี้เลยสมัยก่อนนี่นะถ้าหากว่าไหนพบก่อนที่ผ่านมาแล้วหูเคยเป็นพระราชาเป็นมหากษัตริย์เป็นเครือหาบวดีเป็นพ่อค้าเคยเป็นคนรวยอยู่ในฐานะดีเป็นต้นเนี่ย แต่ในปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเหมือนฝันหมดเลยฉะนั้นชีวิตที่ผ่านมาใช่ไหมที่ผ่านมาเหมือนฝันและไปข้างหน้าเราก็จะไปฝันกันต่ออย่างเงี้ยเนี่ยโทษของกรรมเป็นอย่างเนี้ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาชอบเห็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะก็จะละโลกามิตรละเหยื่อละเหยื่อได้ถามว่าละโลกามิตคือละเหยื่อนั่นน่ะ ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นกามหรือไม่เห็นโทษของกามอุปมาหรือเปลี่ยนเสมือนความฝันใช่ไหมยังไม่เห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นถ้าเห็นจริงๆก็จะน้อมไปเพื่อที่จะเบื่อหน่ายมันไม่มีอะไรใช่ไหมถ้าบอกว่าโอ้ที่ผ่านมาบอกไม่มีอะไรจริงๆเหมือนฝันมองอย่างนั้นจริงมลองย้อนดูที่เหมือนฝันมั้ย ทำอย่างนี้หอเยเหย่แต่โอ้ยเหมือนฝันในชีวิตนึงดูก่อนภิกษุดูก่อนึออน้นาา่าหวดีเปรียบเสมือนบุรุษพึงยืมโพค้าสมบัติอันนี้เหมือนยืมนะเหมือนยืมเขามาเนะี่ยแก้วมณีแก้วกุทนอย่างดีบรรทุกยานไปเขาก็แวดล้อมด้วยทรัพย์สมบัติที่ตนยืมมาพึงเดินไปภายในตลาด คนเห็นเขาแล้วก็พึงกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านบูเจริญบุรุษผู้นี้มีโพคาสมบัติเนอได้ยินว่าชนทั้งหลายผู้มีโพคาสมบัติใช้สอยโภคาสมบัติอย่างนี้ดังนี้พวกเจ้าของพึงพบบุรุษนั้นที่ใดๆพึงนำเอาของตนเองน่ยคืนไปแม้ชั้นใดดูก่อนข้าพเาวดีท่านจะสำคัญข้อนั้นเป็นช่นไหนจะสมควรหรือเนอหรือเพราะความที่บุรุษนั้นจะ เป็นอย่างอื่นไปบอกไม่เป็นเช่นนั้นพระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเจ้าของย่อมจะนำของตนคืนไปได้ถามว่าเวลาเวลาเรายืมทรัพย์สมบัติของเขามาแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยนะเช่นว่ายืมสร้อยแหวนนาฬิกาของเขามาอย่างดีใช่ไหมประดับประดาตกแต่งไปแล้วก็เดินไปเที่ยวคนอื่นก็เห็นเขาก็ชื่นชมใช่ไม นี่มันถึงเวลาส่งแล้วเราก็ไม่ส่งแล้วก็ไปเที่ยวเที่ยวต่อมาเจ้าของเขาเห็นเขาก็มาทวงครับไปมันก็ไม่มีได้วใช่ไหมตัวเองก็ต้องสละต้องเอาสิ่งของนั้นคืนเขา้ามาดูก่อนก็แลาว哈วัีอริยสาวกก็ฉันนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเปรียบเสมือนของยืมของยืมเข้ามาเนี่ยนะ มีทุกมากมีความกับแค้นมากในการมีโทษอย่างยิ่งคันเห็นโทษแห่งการตามความเป็นจริงด้วยปัญญาชอบอย่างนี้แล้วย่ำเว้นขาซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับแห่งโลกามิตรโดยประการและทั้งปวงหาส่วนเหลือมิได ออพิจารณาอย่างนี้ของยืมเข้ามาเนี่ยนะกามเนี่ยนะตาเนี่ยเรายืมเข้ามาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเนี่ยยืมมาหมดเลยเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกต่างๆเหล่านี้เนะี่ยทรัพย์สมบัติทั้งหลายเป็นกามทั้งหลายเนะี่ยทั้งวัตถุกามต่างๆที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะเป็นของยืมเข้ามาไหยืมมาจะจะคืนหรือัวเจ้าของเข้ามาทวงเพราะอะไรรู้ไหม คนที่เขาเจริญกุศ ล, ลกรรมมาเดี๋ยวเขาก็มารับเขาเจริญกุศลกรรมมาดีเขาก็ได้ตาได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายมาดีและอีกอย่างหนึ่งใจเขาก็ได้ใจที่ดีๆมาเพราะเอบรมมาดีสมมุติเจริญกุศลมาดีาก็ได้กรรมมาอีกนี่นแหละได้กามชั้นประณีตมาแล้วเขาก็ได้ทรัพย์วัตถุกรรมภายนอกมาวัตถุการมภายนอกที่เคยเป็นของใครที่เคยยึดเนี่ยก็ไมไ่ก็ไม่เข้าใจใช่ไหมว่าเป็นของยืม ตนเองก็ทิ้งหมดทิ้งตาทิ้งหูทิ้งจมูกทิ้งลิ้นทิ้งกายและทิ้งใจในปัจจุบันนี้แหละแล้วก็ทิ้งสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายและใจเนี่ยแล้วก็ไปเพราะมันเป็นกลางไงเป็นวัตถุกลามนี่คนที่ฉลาดเขาก็รู้จากที่จะจะอยู่กับกลามใช่ไหมเขาไม่ติดข้องในกลามนั้นแล้วก็ปฏิบัติเพื่อที่จะละเพื่อที่จะหนายเพื่อจะคลายกําหนัดในกลามนั้นจินทีฉะนั้นกลามทั้งหลายนีย่ก็คือ ูกปมาเหมือนโพค่าสมบัติเหมือนอัญมณีทั้งหลายที่เราหยิบยืมกันมาที่เรามาใส่ใส่กันนี้เออพิจารณาวันนี้อาแว่นวันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นแว่นของใครใไหมนาฬิกาวันนี้ก็ต่อไปก็ไม่รู้จะเป็นนาฬิกาของใครอันนี้มันจริงๆใช่ไหมถามว่าเพราะของนี้เรายืมเข้ามาหมดไหมยืมเข้ามาหมดเลยถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วมันจะได้เข้าใจคาสอนว่าของที่หยิบยืมเข้ามาเนี่ย ของที่หยิบยืมเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าหากว่าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยว่าสิ่งของทุกอย่างที่เรามีอยู่และใช้กันอยู่อย่างเนี้ยเป็นของยืมจริงๆใช่ถ้าเห็นอยู่อย่างนี้พิจารณาตรึกพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่ยืมเข้ามานั้นเนี่ย เดี๋ยวเขาก็เจ้าของเขามาเห็นเมื่อไหรแล้วเขาก็จะมาทวงคืออย่างเนี้ยเขามาเริ่มทวงเอาหูคืนไปใช่ไหมเจ้าของเดิมเขาทวงเลยเพราะเรายืมเข้ามาไงแต่เดี๋ยวก็ต้องต้องตาเขาก็จะทวงเขาไปจ้หมูกเขาก็จะทวงตาเขาที่ปัญหาก็คือว่าเจ้าของเขาจะมาพบเมื่อไหรเจ้าของที่เรายืมเนี่ยเขาจะมาพบเมื่อไหร่ ที่ถ้าเราคิดกันอย่างนี้เรามีหน้าที่หลบเจ้าของได้ไหมเราหลบได้ไหมกรรมหลบไม่ได้เลยใช่ไหมกรรมเราหลบไม่ได้เจ้ากรรมนี่เป็นเจ้าของนะมันตามทวงเราหมดเลยมันตามทวงตามเบียดเบียนเราหมดใช่ไหมเมื่อถึงเวลาในการที่จะเบียดเบียนเขาเบียดเบียนเลยถึงเวลาที่จะตัดขาดเขาก็ตัดขาดเช่นถ้าเขาจะเบียดเบียนตาเนี่ยเขาก็ทาตาให้เสียหาย ถ้าเบียดเบียนหูก็ทำหูให้เสียหายเบียดเบียนจมูกก็ทำจมูกให้เสียหายเบียดเบียนลิ้นเบียดเบียนกายแล้วก็เบียดเบียนใจกรรมนั้นก็เข้ามาตามที่จะเล่นงานใช่ไหมเหมือนเจ้าของไหมเหมือนเจ้าของก็มาเบียดเบียนแท้ที่จริงก็คือว่าจะต้องส่งคืนกันแล้ะแต่ทุกคนเน่ยแปลว่าส่งคืนใช่ไหมแปลว่าตอนนี้ก็ยังพอโชว์ได้อยู่พอจะอวดเขาได้อยู่ว่าเรามีเนะอเนี่ย ในปัจจุบันนี้เรายังพออวดได้ใช่ไหมว่าเออยังมีตาหูจมูกลิ้นกายยังมีใจยังมีทราบยังมีสิ่งของยังมีกามยังมีวัตถุกามอยู่ยังมีสังขารยังมีสิ่งที่เนื่องด้วยสังขารอยู่ใช่ไหมก็ยังพอที่จะชื่นชมพอจะชื่นชมได้วันหวันหนึ่งวันหนึ่งแท้จริงไม่ถึงขนาดวันหนึ่งวันหนึ่งชั่วครู่เดียวนั้นใช่ไหมพอจะไปเดินตลาดแล้วก็พอจะมองให้คนอื่นก็มองได้ว่านี่ชายแล้วใช่แล้ว แต่ทาไมอีกทีบอกไม่ใช่แล้วเหมือนกลุ่มที่ไปเที่ยวกันทั้งหลายใช่ไหมเขาก็พากันที่ว่าแท้ที่จริงเขามีทรัพย์ตรงนั้นอยู่ใช่ไหมเขามีกรรมตรงนั้นอยู่เขาก็ไปไปไปบริโภคกรารมทีนี้เมื่อเขามีสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะเบ็ดเสร็จเนี่ยเขาก็ไม่รู้ร้อ ว, ว่าเขาไปตรงนั้นนะ่ะจะเจอเจ้าของพอไปเจอ พอไปหนะ้าที่ตรงนั้นไปเจอเ จ, อเจ้าของทวงพร้อมๆก็เลยวิธีการทวงหมู่เจ้าของเข้ามาเห็นทั้งหมดเลยใช่ไหมก็ทวงบอมกันเลยว่เอามาเอาขึ้นก็รเรียบร้อยไปเนี่ยกรรมทั้งหลา ย, ยานั้นมีโทษมากมีความข้าแค้นมากถ้าพิจารณาเห็นโทษของกรรมอย่างนั้นแล้วก็จะได้เบื่อหน่ายจริงๆปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อละจริงๆว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ปฏิบัติเพื่อที่จะเบื่อหน่ายเพื่อละ ถ้าอย่างนั้นเราก็ยังหวังชื่นชมเขาอยู่นี่แหละอุ้ยตาก็งามหูก็งามจมูกก็งามไหมสรุปเบ็เสร็จนะเนาะ ก, กายนี่งามมากพระพุทธเจ้าตรัสบ่อยครั้งมากเจมว่าเป็นที่ไหลออกของสิ่งที่ไม่สะอาดนะ ม, มีประการอะไรต่างๆ น, นี่เป็นอย่างนี้ดูก่อนเคลือหามดีเปรียบเสมือนราวป่าใหญ่ในที่ ดูก่อนพิสูจน์ดูก่อนคุณธรรมวดีเปรียบเสมือนราวป่าใหญ่ที่ไม่ไกลบ้านหรือนิคมไม่ไกลบ้านคือไม่ไกลหมู่บ้านนี่ไม่ไกลนิคมคือไม่ไกลเมืองอลยนะต้นไม้ในราวป่านั้นพึงมีผลรสอร่อยทั้งมีผลดกแต่ไม่มีผลหล่นลงณภาคพื้นสักผลเดียวบุรุษผู้ต้องการผลไม้ก็พึงเที่ยวแสวสะแวสะแวงหาผลไม้เขาแวะ ยังราวป่านั้นเห็นต้นไม้อันมีผลรสอร่อยมีผลดกนั้นแล้วเขาพึงคิดอย่างนี้ว่าต้นไม้นี้มีผลรสอร่อยมีผลดกแต่ไม่มีผลหล่นน่าภาคพื้นสักผลเดียวแต่เรารู้เพื่อขึ้นต้นไม้ฉไหนหนาะเราพึงขึ้นต้นไม้นี้แล้วกินพออิ่มหรือว่าห่อพกไปบ้างเขาก็ขึ้นไปบนต้นไม้นั้นแล้วก็กินจนอิ่มแล้วก็ห่อพกเขาไว้ ลำดับนั้นบุรุษที่สองต้องการผ ล, ลไม้ก็ถือขวานเขาก็อันคมเนืเที่ยวมาเสาะแสวงหาไม้เขาแวะมายังราวป่านั่นแล้วเห็นต้นไม้มีผลรสอร่อยมีผล ด, ดกดังนั้นแล้วเมื่อพิจารณาเห็นว่าต้นไม้นี้แล้วเนื้อมีผลมีรสอร่อยมีผล ด, ดกแต่ไม่มีผลหล่นลงณนภะาคพื้นสักผลเดียวแล้วเราก็ไม่รู้เพื่อที่จะขึ้นต้นไม้ชันไหนเนาะเราพึงจะตัดต้นไม้แต่โคนต้น แล้วก็กินพออิ่มแล้วก็ห่อพกไปบ้างเขาพึงตัดต้นไม้นั้นแต่โคนต้นชั้นใดดูก่อนคึ้นเรขาวิีท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นเไหนบุรุษคนโน้นซึ่งขึ้นต้นไม้ก่อนนั้นถ้าแลเขาไม่รีบลงต้นไม้นั้นจะพึงล้มลงหากว่ามือและเท้าหักอวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่ง ของบุรุษนั้นบุรุษนั้นก็พึงถึงตายแล้วก็ทุกปางตายเพราะต้นไม้นั่นแหละล้ลมลงเป็นเหตุเป็นอย่างนั้นพระองค์ผู้เจริญบอกเออมันมีอย่างนี้คนขึ้นผลไม้ขึ้นต้นไม้นะขึ้นไปแล้วไปกินแล้วกินอิ่มแล้วก็ลงมานี่เขลงมาทันนะนีแต่อีกคนนึงนะ่ะหิวเหมือนกันต้องการผลไม้แต่เอาขวานที่คมกริบไปเนะี่ย ไปไม่ได้ขึ้นแล้วเพราะเขาขึ้นไม่เป็นแต่เขาตัดเป็นทีนี้ถ้าหากว่าเขาจะตัดในขณะที่คนนั้นยังอยู่บนต้นไม้นะั้นะต้นไม้ล้มลงก็ต้องตายหรือทุกข์ปังตายใช่ไหมแต่เพเอิญคนนั้นนลงได้เยอะก่อนก็เลยไม่ตายวันนั้นดูก่อนข้าน้าว ด, ดีอริยสาวกฉันนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเปรียบเสมือนผ ล, ลไม้มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี่มีโทษอย่างยิ่ง เห็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายเป็นต้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาชอบแล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาซึ่งเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวนะอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความยึดถือโลกามิตธโดยประการและทั้งปวงหาส่วนเหลือมีได้นะมันเป็นนี้ปัจจุบันเหมือนเราขึ้นต้นไม้กันแล้วนเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เขาจะมาตัดแล้วเนะ เขาจะตัดแล้วลงพอนิยมเขาใกล้จะตัดหรือยังไม่ได้ยินแล้วเขาใกล้จะตัดแล้วนะที่เขาใกล้จะตัดนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะใกล้เวลาแล้วตัดแล้วเนี่ยแปลว่าเรายังไม่ยอมลงจากต้นไม้ตายไหมตายเพราะกรรมนั้นนี่เป็นอย่างนี้มองเห็นมั้ยองโตเข้าใจคำนี้ไหม นี่เขาจะตัดหรือยังยังไม่ตัดเขาตัดไปเยอะแล้วลงมาหลายครั้งแล้วมั้งลงมาเนี่ยขึ้นใหม่ติดใจติดใจในรถน่นนะเพราะอะไรรู้ไหมตอนตอนเด็กๆ เ, เนี่ยอัตภาพในความเป็นเด็กสิ่งของที่เคยมีสมัยเป็นเด็กหมดแล้วตาหูจมูกเล่นกายใจตอนนั้นก็โดนตัดไปแล้วมาใหม่อีกขึ้นใหม่อีกลงทันนั่นะอลงลง แต่ที่จริงก็คือว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของอุปมาเจ็ดอย่างเนี่ยนะอุปมาอย่างแรกคืออะไรกามเหมือนล่างกระดูกอุปมาอย่างที่สองเหมือนอะไรเหมือนแรงเอ้เหมือนนกแรงเหมือนชิ้นเนื้อใช่ไหมเหมือนร่างกระดูกที่สุนักแทอะอุปมาอย่างที่สองก็เหมือนกับอะไรเหมือนชิ้นเนื้อเหมือนชิ้นเนื้อที่แรงนะน นกแดงหรือนกตะกูมันเยี่ยวอ่ะอุปมาอย่างที่สามเหมือนอะไรเหมือนบุรุษถือคบเพลิงเหมือนคบยากที่วิ่งทวนลมไปอุปมาออย่างเหมือนอะไรหลุมทานเพลิงเหมือนถูกจับโยนลงไปในหลุมฐานเพลิงอุปมาอีกอย่างเหมือนอะไรเปรียบเสมือนฝันเหมือนความฝันใช่ไหม การทั้งหลายเหมือนฝันทั้งนั้นเองที่ผ่านานมาหรืออะไรต่างๆนี้เหมือนฝันพบนี้ต่อไปก็คือฝันอดีตที่พบที่ผ่านมาก็คือฝันประการต่อมาก็คือเหมือนกับโภคัสของของที่ยืมเข้ามาอุปมายอย่างก็เหมือนกับราวป่าใหญ่ที่มีผ ล, ลไม้อะที่มีรสอร่อยมีผลดกครบเจ็ดหรื อ, อยังครบเจ็ดแล้วเนี่ยเคยพอไหมว่าโอ้ยไม่ต่อไปไม่เอาอีกแล้ว ไม่ต้องการมีตาอีกแล้วเนี่ยเคยคิดแบบนี้ไหมบอกว่าไม่ต้องการมีตาแล้วเนี่ยเคยคิดแบบนี้ไหมหรือบอกว่าไม่อยากจะดูอีกแล้วเนี่ยยังอยากยังปรารถนาจะดูอยู่ไหยังปรารถนาที่จะดูนั่นแหละเหมือนสุนัขแทะกระดูที่มีแต่เลือดติดนี่เป็นอย่างนี้ประการต่อมาก็คือเหมือนอะไรเหมือนชิ้นเนื้อเหมือนชิ้นเนื้อแยงได้ไหม ตอนเนี้ยยังมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวถ้าหากว่านั่นเดี๋ยวก็ถูกถูกแย่งออกไปถูกแย่งออกไปโอ้โ ห, หน่ากลัวนะ่จะถูกแย่งตาไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันนี้แค่ตาเนี่ยไปพิจารณาทุกส่วนของร่างกายจะเป็นอย่างนั้นทุกส่วนของทรัพย์ของวัตถุ ก, กรรมจะเป็นอย่างนั้นอีกอุปมาหนึ่งก็เหมือนนั่นหละเหมือนเหมือนครบยาเนี่ยแหละเหมือนครบยาเนี่ยเลย แล้วก็วิ่งทวนไอ้หญ้านั้นก็มีมีไฟติดด้วยก็วิ่งทวนไม่เราวิ่งไปเนี่ยในวัดตาทั้งหลายที่เราไปเนี่ยในพบนี้ที่ไปไปเพื่อจะให้ตาหมดใช่ไหมในที่สุดตาก็ไหมหมดร้อนด้วยไหมแต่หมูไหมมือไหมอวัยวะส่วนอื่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเหมือนกระโดดลงในหลุมถ่านเถิดการมีตาเนี่ยการที่จะต้องโดดไปมีตาการที่มามีตาเนื่อตอนนี้เราถูกตาทําให้เร่าร้อนแล้วเนาะ มีทวารตาอย่างเดียวเนี่ยร้อนเพราะไฟคือราคะไไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติคือการเกิดชรลาคือความแก่วรณะคือความตายแล้วจะต้องโศกเพราะมีตาแค่ไหนโศกกัการที่เราจะต้องมีตาเนี่ยเราจะต้องไปโศกไปปรีเทวะใช่ไหมเป็นเป็นทุกข์เป็นไฟกองใหญ่นะ ถาว่าสิ่งที่เราเกี่ยวเนื่องกับตาเราโศกเพราะตาเราก็เพียงพอยังโตกกับโศกกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตาที่เรามองเห็นแล้วจะทําความโศกให้เกิดขึ้นมากไหมมากจริงๆเนาะมีวัตถุชิ้นไหนบ้างที่เราเกี่ยวข้องแล้วที่เรามองเห็นแล้วจะไม่ทําให้เราโศกถ้าลองไปติดข้องเพราะอาศัยทวารตามีไหมถ้าเขาจะต้องจากหรือเราจะต้องจากสิ่งนั้นมันก็สร้างความโศกให้เกิดขึ้น ประการต่อมาก็คือว่ามันสร้างทุจริตภัยนี่ใช่ไหมกามทั้งหลายเนี่ยมันนำมาซึ่งทุจริตภัยด้วยนะบางทีจากการมีตาเนี่ยเราจะต้องไปทํากรรมชั่วใช่ไหมจากทวานตานอ้โเราไปเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ต้องทอําบาปทุจริตภัยก็คือฉะนั้นมันมีความโศกเป็นธรรมดาจริงๆใช่ไหมการมีทวานตาเนี่ยมีปริเทวโะโสกาปริเทวะทุกขโทมนะสาอุปายาต ที่สุจริงๆมันจะต้องเดือดร้อนใจเพราะการมีตานีน่ฉะนั้นการที่เราได้กามได้วัตถุกรามกันมาเนี่ยนะมันได้มานึกว่าเป็นเป็นเหมือนคบเพิงจริงๆเหมือนกับคบหญ้าจริงๆแล้วก็เหมือนกับการโดดลงหลุมฐานเพิงจริงๆยนะมันมันบางทีเนี่ยเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วท่านจริงปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายกันเลยนะเพราะท่านตรึกพิจารณาจริงๆไงนะ เหมือนฝันไหมเหมือนฝันไหมการที่เราได้ตามาที่เราไปมองเห็นสิ่งต่างๆมาเนี่ยเหมือนฝันหมดเลยที่ผ่านมาเนี่ยจําแทบไม่ได้จําได้ล้างเลือนแต่คําว่าเหมือนฝันในที่นั้นน่ยไปสร้างกรรมกับสิ่งนั้นมาเยอะเนอะจากอาศัยทางทวารตาอย่างเดียวไม่ต้องพูดถึงทางทวารหูจหมูกลิ้นกายและใจแล้วแค่ทวารตาอย่างเดียวนี่ก็บาปเยอะบุญก็มากเลย นานๆบุญได้โอกาสสักนิดเจ็ดวันได้มีโอกาสมาเจริญบุญนินเจริญบุญลองไปแล้วมาทำบุญชํำละล้างตามองสิ่งดีๆนี่เป็นอย่างนี้นะประการต่อมาก็คือว่าของยืมเข้ามานี่เนี่ยเรายืมตาเขามาใช่ไหมของยืมเข้ามาแล้วก็เหมือนขึ้นไปกิน บางทีเขาให้รถอร่อยเหมือนกันนะนะตาเนี่ยนะพอเราได้ตามาแล้วเราได้ความสุขเนี่ยได้ความสุขจากการที่จะมีตาเนี่ยไหมไปเห็นสิ่งดีๆงามๆไปดูแก้วอัน ญ, ญมณีไปชื่นชมทะเลไปชื่นชมป่าเขาลำเนาภัยไปเที่ยวดูสิ่งของต่างๆแล้วก็ได้ความสุขจากตาเนี่ยเหมือนกับการขึ้นไปกินผลไม้แต่ถาเว่ามีคนกําลังจะโค่นต้นอยู่ เน่ต้องเรียบวิ่งลงแท้ที่จริงแทาบาริยะแล้วเน่ท่านรู้ตามความเป็นจริงตรงนั้นแล้วท่านก็ไม่ต้องไปต้องท่านไม่ต้องไปทุกข์เพราะการที่จะต้องไปมีตายแล้ว น, นี่เป็นไปในลักษณะเช่นนี้นะนี่ท่านจึงปฏิบัติเพื่อที่จะเบื่อหน่ายเพื่อที่จะคลายกำหนัดต่อสิ่งเหล่านั้นได้จริงๆอาต่อไปเดี๋ยวจเจริญกุศลกัน ในโอกาสต่อไปขอให้เจริญกุศลกันนะเออในช่วงนี้จะให้ตรึกในการเจริญถึงพุทธคุณสักเล็กน้อยนะให้พวกเราระลึกถึงพระพุทธคุณในวาระเห่งการณ์ที่ขึ้นพุทธศักราชสองพันห้าร้อจิตระลึกถึงที่เราเคยสาทยายกันนะว่า การที่มีสติตามระลึกเนืองๆถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างนั้นเขาเรียกว่าพุทธานุสติวิธีการแห่งการระลึกก็คือที่เราเคยสาธยายว่าอิติปิโสภะกวาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้เป็นพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นจากกิเลสและวาสนาอย่างเด็ดขาด สัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตรัตตุรู้เยียธรรมคือธรรมที่ควรรู้ทั้งหลายด้วยพระองค์โดยชอบตามความเป็นจริงวิชาจารณสัมปั p น n เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกทั้งสามคือสังขารและโลกสัตว์โลกโอกาสโลก อนุตรโรปุริสธรรมสารถิทรงเป็นสาถีฝึกบุรุษชั้นเยี่ยมไม่มีบุคคลอื่นยิ่งกว่าสัตถาเทวมนุษย์สารังทรงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธ ท, ทรงเป็นผู้ตัสรู้แจ้งอริยสัจสล่าวคือตัดรู้ทุกตัดรู้ทุกสมูทยัยตัสรู้ทุกขนิโรธตัดรู้ทุกขะ นิโรธาคามินีปฏิปาธาโดยรอบคอบอย่างทีท่วนตลอดถึงยังรู้สิ่งทั้งปวงว่าควรรู้ทั้งปวงด้วยสามารถถึงสัตว์ทั้งหลายให้รู้ตามได้ด้วยพระควาทรงเป็นผู้จำแนกธรรมชื่อเชื่อพระควาหรือพระคัธรรมนั้นประกอบด้วยบุญ6ประการนออิตริยะหมายถึงทรงเป็นผู้มีอิตริยะคือความเป็นใหญ่ ธรรมะพระพุทธเจ้านั้นเข้าถึงโรกุตละธรรมคือมรซีผลสีแล้วก็นิพานหนึ่งยษะทรงหมายถึงชื่อเสียงแพ่กระจายไปทั่วในหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายสิริหมายความว่ามีผิวพันธ์ประดับประดาประกอบไปด้วยสิริมงคลประกอบด้วยอนุพยัญชนะ8ปส สมบูรณ์ด้วยลักษณะ32ประการกามะคือความสำเร็จตามความประสงค์ประยัตะพระวิรยะบา ร, รมีของพระพุทธเจ้านั้นทรงเพียรแล้วก็สามารถที่จะสำเร็จประโยชน์จากการเพียร น, นั้นๆพระพุทธเจ้าได้นามว่าอาราอิติปิโสภะควาควําวาโสเนี่ยเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พระองค์นั้นเคยสั่งสมบา ร, รมีสักต้องเจริญพุทธการะธรรมพุทธการะธรรมธรรมที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นบุคคลนั้นจะต้องบริบูรณ์ด้วยอิติปิโสภควาที่เราบอกแม้เพราะเหตุนั้นแม้เพราะเหตุแห่งอะไรแม้เพราะเหตุแห่งทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมี เนคขมะบารมีคือการประพฤติพรหมจรรย์ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจาบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีแม้บารมีเหล่านั้นต้องเป็นบำเพ็ญบารมีชั้นต้นบารมีชั้นกลางที่เรียกว่าอุปบารมีและบารมีชั้นอุกฤษที่เรียกว่าปรมัทบารมีแม้เพราะเหตุแทง บารมีธรรมเหล่านั้นแม้เพราะเหตุแห่งการบริจาคบุตรบริจาคภรรยาบริจาคดวงตาบริจาคทรัพย์และบริจาคชีวิตแม้เพราะเหตุแห่งบารมีสามสิบทัศที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีมาเป็นอย่างดีแล้วนี่แม้เพราะเหตุนั้นนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้นามว่าเป็น พะระอรหันต์แค่นั้นในคำว่าอารหังเนี่ยนยทรงเป็นผู้ที่คำว่าอารอาอระกะเนี่ยเขาแปลว่าผู้ไกลดำรงอยู่ในฐานะที่ไกลแสนไกลจากสัพพากิเลสทั้งหลายเราทั้งหลายได้ตั้งสติตามละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าใช่ไหมว่า ความตัตตรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมความประพฤติปฏิบัติดีของพระสงค์ที่เราได้ตามและลึกตามคิดถึงกามนอกน้อมเน้นว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ไกลแสนไกลจากราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาอาหิริกะอโนตตาปะและอุทธจักไกลจากบาปไกลจากอากุศลกรรมทุจริตกรรมทั้งหลายไกลจากกิเลส อย่างแสนไกลและทรงกําจัดย่ำยีกิเลสเหล่านั้นด้วยประกาละทั้งปวงพร้อมทั้งทำลายวาสนาด้วยอรหัตมักฉะนั้นความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงต่างจากการเป็นพระอรหันตแต่สาวกธรรมดาทั้งหลายเพราะอริยาสาวกทั้งหลายไม่สามารถที่จะกําจัดวาสนาอย่างพระพุทธเจ้าได้ พระพุทธเจ้านั้นเนี่ยกำจัดกิเลสได้ด้วยสัพภากิเลสได้ด้วยเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายและยังกําจัดวาสนาซึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายปกติธรรมดาท่านทําไม่ได้ฉะนั้นวาสนานั้นนะนะท่านในภาษาไทยเขาจะเรียกกันว่าเป็นบุญเป็นบรารมีเป็นกุศลที่ได้ทํามาได้รับลาบได้สกาละได้ยศสักมาก แต่ในพุทธคุณนี้คำว่าวาสนาแปลว่าเครื่องปรุงนะเป็นอุปนิสัยเป็นบุญและบาปที่อบรมมาท่านยังตรัสเข้าไว้บอกว่าวาสนานั้นนะนะความประพฤติที่ติดมาแต่อดีตความประพฤติจนเคยชินนะ่ที่เป็นบุญหรือเป็นบาปที่เคยมาแต่อดีตซึ่งละไม่ได้ผลของบุญของผลของบาปคือความเคยชินที่ละไม่ได้ แต่พระพุทธเจ้านั้นเน่เป็นผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์ไกลใจแสนไกลจากกิเลสแล้วยังไม่พอเนะียังไกลจากวาสนา ด, ด้วยด้วยนี่เป็นอย่างนี้อาระกะเนะี่ยแปลว่าผู้ไกลย อ, ยอีกคําหนึ่งคําว่าอารหังนั้นเ น, นนะีมาจากคําว่าอาริแปลว่าฆ่าสึกกิเลสทั้งหลาย กิเลสทั้งหลายคือราคะความกำหนัดโทสะความกโกรธโมหะความหลงเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นอริเป็นอริเป็นข่าศึกเป็นศัตรูเพราะว่าเป็นเหตุนํามาซึ่งความหายนะโดยประกาและทั้งปวงท่านจึงกล่าวบอกว่ากิเลสอาริอริคือกิเลสศัสตรูคือกิเลสพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกําจัดกิเลส กล่าวคืออริเหล่านั้นด้วยสัตวุธกล่าวคือพระปัญญาของพระพุทธองค์เองโดยเหตุนั้นนะ่บัณฑิตทั้งหลายจึงเรียกพระพุทธเจ้าว่าอารหันต์คือกำจัดอรินะคือกิเลสโดยประกาและทั้งปวงเมื่อพิจารณาอย่างนี้ว่ากิเลสเป็นศัตรูนะ ราคะความกำหนัดโทสะความกโกรธโมหะและความหลงเนี่ยเป็นศัตรูของเหล่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นตามเกิดขึ้นในขันในกระแสของขันของท่านบูใดแล้วเนี่ยก็จะนำความวิบัตินาความย่อยยับให้เกิดขึ้นกับกระแสขันของท่านบูนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยให้เห็นโทษของการมีขัน ให้เห็นโทษของการมีกิเลสเรามีตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่เป็นผลของการมีกิเลสนะและกิเลสก็จะสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกต่อไปถ้าเรายังตัดกิเลสละกิเลสไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะละอย่างที่บอกพระพุทธเจ้าตัตทรู้ทำเหล่าใดพ้นจากวัฏทุกได้ขอให้ข้าพเจ้าได้ตัตทรู้ทาเหล่านั้นด้วยเทอดน่ ถ้าเราไม่ตามระลึกตามประพฤติปฏิบัติตามเพื่อจะละเพื่อจะปฏิบัติเพื่อเบือนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อจะละกิเลสแล้วเนี่ยกิเลสก็จะนำพวกเราทั้งหลายให้เข้าสู่กองทุกข์ให้นำเข้าสู่ความทรมานใช่การที่เราจะต้องไปมีตาหูจมูกลิ้นกายและจะต้องมีใจการที่จะต้องไปมี สัตว์และสังขารทั้งหลายให้เกี่ยวข้องที่จะต้องบริหารสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์มากมีโทษมากมีความคับแค้นมากดังที่เราพระพุทธเจ้าตรัสในสูตรดังที่ได้กล่าวเนี่ยที่บอกว่าอุปมาเหมือนร่างกระดูกใช่ไหมกามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกกามทั้งหลายเหมือนชิ้นเนื้อกามทั้งหลายเหมือนกับคบเพลิงคบหญ้ากามทั้งหลายเหมือนหลุมทานเพลิง กามทั้งหลายก็เหมือนความฝันนะการทั้งหลายเหมือนของยืมก็ามาการทั้งหลายก็เหมือนผลไม้ในราวป่าใหญ่ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นโทษของขันว่ามันเป็นโทษอย่างยิ่งจริงๆฉะนั้นจิตในขณะที่เราตามระลึกนะถึงพุทธคุณคือคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะน้อมที่จะปฏิบัติเพื่อ เบื่อหน่ายเพื่อขายกำหนัดถามพระพุทธเจ้าพ้นจากอาริพ้นจากข้าศึกพ้นจากศัตรูคือกิเลสใช่พ้นจากกิเลสแล้ววาสนาทั้งหลายเราก็ตามระลึกเพื่อที่จะพ้นจากกิเลสตามพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนั้นถ้าพิจารณาตรึกเห็นอยู่อย่างนี้แล้ว ก็ปฏิบัติเพื่อจะน่าย mm hmm. เพื่อจะคลายกำนัดทีนี้ในการที่จะมนาจการกรรมาฐานได้นั้นก็คือว่าการน้อมใจน้อมจิตระลึกถึงในการที่จะบูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นลําดับแรกเลยเนี่ยท่านให้ตรึกถึงในเรื่องของพุทธคุณการระลึกนึกถึงพุทธคุณกล่าวคือคุณของพระพุทธเจ้านั้นในบทที่บอกว่าอ e ีติปิโสเป็นต้นนะนะ แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นผู้ที่บำเพ็ญบา ร, รมีทำมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมะบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีขันติอริยะอธิฐานะเมตตาแล้วก็อุเบกขาบา ร, รมี บารมีทั้งสิบประการนั้นน่ะพระบรมศาสดาทำมาอย่างอุกฤตก็ทำอย่างยกตัวอย่างดังที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องของทานนบารมีนั้นน่ะพระองค์ทำตั้งทานบารมีทานนอุปปารมีและทานนปรมัทธบารมีก็เหมือนที่นั่งมาบนรถที่สนทนาในเรื่องของพระเวสสันดรนะ นั่นก็คือพระชาติหนึ่งในการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์นที่อุบัติมาเพื่อสร้างบรารมีเนี่ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยตั้มน้อมดูจริยาวัดของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยไม่ใช่ทําได้ง่ายๆทําทได้ยากมากถ้าจะพูดถึงในเรื่องของทานที่ท่านบอกว่าเหมือนเทน้ําออกจากกระบอกไม่เหลือเลยเนี่ย พวกเราทั้งหลายเวลาจะแบ่งปันจะให้ทานเนี่ยจิตในการที่จะต้องกันไว้อะไรไว้ก็ยังมีมากฉะนั้นทานทานนบรมีนั้นทําลายอะไรทําลายมัชชริยะทําลายตนีความห่วงแห็นไอความห่วงแห็นตัวมัชชริยะเป็นกิเลสไหมเป็นเป็นกลุ่มของกิเลสที่เกิดร่วมกันกันกบโทสะ สัตว์โลกทั้งหลายที่ไม่ได้อบรมไม่ได้บน่นบมบารมีมาในข้อนี้มาดีเนี่ยไม่ได้มนาสิการให้ดีเนี่ยจิตใจนั้นก็จะเต็มไปด้วยความหวงแหนหรือความตนหนีนั่นแหละจิตใจก็ไม่น้อมไปในทานนะกุศลฉะนั้นพระบรมศาสดาท่านสร้างบารมีมาในข้อทา น, นเนี่ยท่านทำมาอย่างมากมากถึงขนาดว่า แม้แต่ชีวิตของตนเองก็พร้อมที่จะให้ได้บนท้องฟ้าดวงดาวที่เต็มไปหมดนั้นน่จริยาวัดข้อปฏิบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นน่ยให้ทานนั้นน่ในการให้ดวงตานั้นน่มากกว่ามากกว่าอะไรมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้ามากอย่างนั้นจริงๆงั้นธรรมพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยคือ คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่แต่ว่าใครจะระลึกได้มากน้อยเพียงไรนั้นก็อยู่ที่สติปัญญาหรือข้อมูลของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันถ้าเราจะมองในด้านของศีลบา ร, รมีเนี่ยพระผู้มีพระพเจ้ารักษาศีลเนเหมือนจามรีรักษาขนหางของตนเองจามรีเวลาจะวิ่งไปนะที่ตรงไหนแล้วถ้าหางของตนเองติด นาำติดตอหญ้าตรงต่างเหล่านี้เป็นต้นเลยหรือต้นไม้เนี่ยยอมตายไม่ยอมไม่หางขาดชั้นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สร้างบา ร, รมีมาก็อย่างนั้นเหมือนกันถ้าหากว่าเหตุปัจจัยอะไรแล้วที่จะเป็นปัจจัยแห่งการทำให้ศีลของตนเองนั้นเกิดแตกทำลายไปยท่านก็จะยับยัง้งไม่ยอมทำลายศีลของตนเองแม้แต่ชีวิตจะหาไม่เนย ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ตั้งศรัทธาไวในพระพุทธเจ้าทำปีติให้เกิดขึ้นนะว่าพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีบุญดีแล้วน้อเนี่ยที่ได้มีโอกาสมาเคารพมาศรัทธามานับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพอพระองค์เป็นพระอรหันตตอนเช้าได้พูดไปแล้วใช่ไหมที่ใช้คำที่พูดบอกว่า ทิวาตปฏิอาทิจโจรติมาอาภาติจันติมาสันนโธกติโยตปฏิชายีตปฏิพรมโนมหถสัพพมโหรติงพุทธโทธตปฏิเตชะสาตาธิสังเตชะสัมปันนังพุทธังวันทามิสาทลังเป็นต้นคือต้องการจะพูดให้พวกเราทั้งหลายได้น้อมใจว่าพระพุทธเจ้านั้นรุ่งเรืองทั้งกลางวันและกลางคืนหรือรุ่งเรืองในการทุกเมื่อจริงๆ พระอาท็ตรุ่งเรืองมีรัศมีส่องแสงสว่างรุ่งเรืองในตอนกลางวันพระจันทร์นั้นย่อมมีรัศมีส่องแสงสว่างรุ่งเรืองในยามกลางคืนพระราชามหมากริย์รุ่งเรืองตอนสมัยที่ทรงเครื่องกษัตริย์พระรหันตาเจ้าทั้งหลายรุ่งเรืองตอนที่เข้าฌานสมาบัติแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้ น, น, นถามว่าพระอาทิตย์ เอ่ยพระจันทร์เอ่ยตลอดถึงพผ้ารหันทั้งหลายนะไม่ได้มีความงดงามรุ่งเรืองอยู่เป็นนิดแต่อย่างใดคือเฉพาะการเฉพาะเวลาเท่านั้นแต่พระเ ด, เดชานุภาพแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนะรุ่งเรืองทั้งกลางวันและกลางคืนพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมรุ่งเรืองย่อมปรากฏ ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเนี่ยถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าคุณของพระพุทธเจ้านะมากมายจริงๆฉะนั้นเมื่อกําหนดพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านจึงบอกว่าอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสเห็นไมไกลจากกิเลสนะั้นหมายความว่าพร้อมทั้งวาสนาทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นน่ะไกลจากราคะไกลจากโทสะไกลจากโมหะไกลจากมานะทิฏฐิวิจิกิจชาอาหิริกะอนโนตตปะและอุทจะกล่าวคือความฟุ้งซ่านพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่มีความกำนัดแต่เรามีไหมเรามีพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีความโกรธความมาฆาาความพยาบาทแต่เรามีนี่ไหม ถ้ากำหนดพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะชัดเจนว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสนอนเนื่องอยู่ในกระแสจิตตลอดเวลาอารมณ์มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเกิดยินดีก็เป็นอัศาธาโลภะก็เกิดขึ้นติดข้องในสิ่งเหล่านั้น ถ้ายินร้ายโทสะก็เกิดขึ้นพยาบาทความปองร้ายก็เกิดขึ้นในกระแสจิตใช่ไหหรือถ้าหาก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงในขณะนั้นด้วยก็ชัดเจนแล้วว่าโมหะกป็ปิดบังสภาพความจริงของอารมณ์ไว้ไม่ให้แทงตลอดในอารมณ์มีทุกข์เป็นต้นคือไม่เข้าใจในอารมณ์ตามความเป็นจริงนั้นเพราะอะไร เพราะเรายังมีราคะโทสะและกะโมหะมานะก็มีในขณะที่อารมณ์มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบางทีก็เยอ่ยอญิงถือตัวขึ้นมาหรือบางครั้งก็น้อยเนื้อต่าใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลักษณะมานะการเทียบตนเทียบบุคคลก็มากขึ้นบางครั้งก็เป็นอหิริกาอโนโตปะ อารมณ์ทุกอารมณ์ที่มากระทบทางทวารทั้ง6เนี่ยจิตใจก็น้อมไปในการที่จะไม่ละอายต่อบาปและก็ไม่เกรงกลัวต่อบาปที่สุดจริงๆก็น้อมไปในการที่จะกระทํากายทุจริตวจีทุตจเรตและมโนทุจริตนั้นเป็นข้อบ่องบอกให้เห็นว่าจิตของเรานั้นเป็นจิตที่ขาดการอบรมเป็นจิตที่ขาดการบ่ม เมื่อเป็นจิตที่ขาดการบ่มขาดการอบรมแล้วในะจึงเป็นจิตที่เศร้าหมองเมื่อเศร้าหมองพอจิตนั้นจะน้อมเข้าสู่การเจริญกรรมฐานก็เดินได้ไม่สะดวกเขาเรียกว่ากรรมฐานนั้นก็เกิดการติดขัดหรือขัดข้องเหตุที่ขัดข้องก็เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่น้อมใจเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ เหมือนที่พูดเข้าไว้ที่บอกว่ากระแสจิตของพวกเราทั้งหลายจะตกจากศาสนาตกจากศีกขาทั้งสามกาวคือศีลสมาธิและก็ปัญญาพอศีลสมาธิปัญญาไม่เข้าสู่กระแสชาวหน้าและกระแสจิตก็กลายเป็นราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกาโนตปาอุทจจะและก็ อากุศลละธรรมเหล่านี้อากุศลละิละธรรมทิรามกทั้งหลายก็เกิดขึ้นในกระแสจิตเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่น้อมใจในการที่จะมนศษการกรรมฐ า, านเขาเรียกว่าจิตนั้นถูกรบกวนด้วยนิวรธาธรรมมีกามาชันทะพยาบาทีทนมิธทอุทธะและก็วิจิกิชานี่นิวรธาธรรมเหล่านี้หรือที่เรียกอีกอย่างบางครั้ง ที่ศึกษามาตอนเช้าที่บอกว่าเจโตขีลธรรมใช่ไหมทมที่เป็นตะปูตึงใจแล้วก็ละได้ยากมากถอดได้ยากมากตะปูหรือว่าเจโตขีลธรรมนั้นน่ถ้าเข้าสู่กระแสจิตของใครแล้วเนี่ยถอนยากถอนกิเลสได้ยากมากบางครั้งเราเสียหายเพราะกิเลสเห็นราคะโทสะแล้วก็โมหะเป็นต้นเนี่ย มันท่วมทับจิตใจของเราจิตนั้นก็ไม่น้อมไปในการที่จะเจริญบุญบางครั้งพอมนณศิการตั้งจิตสมาธิเป็นต้นให้ตั้งมั่นขึ้นในระยะหนึ่งเดี๋ยวเขาก็มาแทรกเป็นระยะระยะนั่นเป็นข้อบ่งบอกว่าจิตอ่อนแอมากขาดการฝึกขาดขาดการอบรมขาดการขัดเกานี้คือโทษของการห่างไกลพระพุทธเจ้าใช่ม แตกใกล้กิเลสใกล้อกุศลธรรมทั้งหลายพอกิเลสอกุศลทั้งหลายอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าสู่กระแสจิตแล้วเนี่ยถามว่าอะไรตามมาสิ่งที่ตามพวกเรามาก็คือว่ากายทุจริตบ้างวจีทุจริตบ้างและมโนทุจริตบ้างนั่นแหละเข้าสู่กระแสจิตและกระแสโฉนะเพราะว่า พูดไปแล้วไม่ใช่หรือว่าเมื่อจิตเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นโลพาโทสะและโมหะเป็นต้นเนี่ยโลพาจิตโทสะจิตเหล่านั้นก็ผลักดันให้วาโยธาตที่เป็นจิตแต่วายโยธาเนี่ยตั้งขึ้นวายโยธาเนั้นก็ขับผลักดันทำให้อิริยาบถน้อยใหญ่เป็นไปในชีวิตประจำวันนั้นก็ได้แต่ทุจริตบางครั้งทาบุญสุนทานแต่ก็ได้อะไร ได้กายทุจริตบ้างวจีทุจริตบ้างและก็มโนทุจริตบ้างไม่ได้อะไรไม่ได้สุจริตเพราะอะไรปิดบังโมหะกล่าวคืออวิชชาคือความไม่รู้นั่นเองปิดบังอะไรปิดบังไม่ให้ได้กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุตจริตทําไมจึงปิดบังละ่ะปิดบังในอารมณ์นั่นเองไม่รู้ตามความเป็นจริงของอารมณ์กิเลสก็ เข้าสู่กระแสจิตเมื่อกิเลสเข้าสู่กระแสจิตอะไรตามมาสิ่งที่ตามมาก็คือว่าได้กายได้วาจาและได้ใจที่เป็นทุจริตเมื่อทุจริตเกิดขึ้นมาก็เป็นกรรมไม่เป็นเป็นกรรมประเภทไหนเป็นกายกรรมที่ทุติจลิตวจีกรรมที่ทุจริตและมโนกรรมที่ทุจริตก็ทําให้เราได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ ในชีวิตปัจจุบันนี้เราไม่น่าจะสร้างเหตุที่เป็นกรรมชั่วทั้งหลายเลยนะแต่เราก็ต้องได้เหตุที่ต้องได้นั้นก็เพราะว่าเราั้นเป็นผู้ประมาทประมาทนะี่เป็นศัพท์ที่ท่านใช้คำว่าเป็นผู้ขาดสติสตินซีทั้งหลายหรืออินเรียสังวรนั่นเองศีลในทวารทั้งหไม่เกิดนะจิตไม่น้อมลงหรือไม่อย่างลงสู่คุณธรรม มีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นแปลว่าในขณะนั้นตกจากอะไรตกจากศาสนาตกจากศิกขาศาสนาพรหมจรรย์ไม่ถึงแล้วเมื่อตกจากศิกขาเบื้องต้นก็ยากเหลือเกินที่จะทำมรรคมหจรรย์ให้บริบูรณ์ได้อริยมรรคมีองค์แปดที่จะเกิดขึ้นจากการชำระศีล ส, สมาธิปัญญาให้บริบูรณ์นั้นก็ไม่เป็นฐานรองรับกัน นี่เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นในลักษณะของการมณสิกการหรือเจริญกรรมาฐานนั้นต้องชัดเจนในการเจริญในการอบรมอย่างหนึ่งถ้าไม่ชัดเจนในการเจริญในการอบรมแล้วเราจะละกิเลสไม่ได้เราจะกันกิเลสไม่ได้เหมือนอย่างบทที่บอกว่าอะระหังเนี่ยที่บอกเป็นผู้ไกลจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนานั้นเป็น เป็นคำเรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าดังที่ได้บอกว่าพระองค์ไกลจากกิเลสแต่เราใกล้จากกิเลสถ้าใกล้จากกิเลสเราก็ไม่ใกล้พระพุทธเจ้าเมื่อไม่ใกล้พระพุทธเจ้านั้นแสดงให้เห็นชัดว่าเราห่างไกลถึงแม้นว่าจะกราบจะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่จับชายจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ทําสัญลักษณ์ให้เหมือนกันกับพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่ท่านผู้นั้นเป็นผู้ไกลจากภะษาสดาคำว่าไกลจากพระษาสดาก็คือไกลจากพระพุทธเมื่อไกลจากพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าไกลจากพระธรรมเมื่อไกลจากพระธรรมก็ชื่อว่าไกลจากพระอริยสงฆ์หรือพระสงฆ์ไกลจากพระรัตนตรยัยและก็เป็นผู้ใกล้ต่อกิเลสอาสวะทั้งหลายคือราคะโทสะโมหะเป็นต้น ทีนี้สัตว์โลกทั้งหลายนะั้นเป็นผู้ที่ยังมีวาสนานอนเนื่องอยู่ในขันวาสนาที่ใช้ในภาษาไทยนะั้นมักมากมายหมายถึงบุญบา ร, รมีหมายถึงกุศลที่ได้ทํามาแล้วว่าได้รับลาบได้รับหยดยศเกียรติยศชื่อเสียงเป็นต้นนะแต่ในทางธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทพุทธคุณนะนะั้นคําว่าวาสนาเขาแปลว่าเครื่องปรุงแต่ง อบมณิษัยหรือบุญบาปที่มาหรือบุญบาปที่อบรมมานั้นเป็นอะไรตัววาสนานี่ยแหละเป็นตัวอบรมบุญบาปที่ที่อบรมมาทีนี้ท่านบากว่าคําว่าวาสนาก็แปลว่าบุญหรือบาปที่เขาอบรมมาหรือเชื่อวาสนาเพราะ คำว่าวาสนาในที่นี้หมายความว่าเป็นความประพฤติ ท, ที่ติดมาแต่อดีตมีความประพฤติ ท, ที่ดีมาจนเคยชินหรือการประพฤติ ท, ที่ไม่ดีมาจนเป็นเคยจนเป็นความเคยชินแต่ความประพฤติ ท, ที่ติดมาเป็นวาสนานั้นละไม่ได้จะออกมาทางพฤติกรรมคือการแสดงออกทางกายและทางวาจา แต่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นท่านละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาได้แต่ถ้าเป็นพระอาหารหันตธรรมดาทั้งหลายแล้วท่านละไม่ได้ละวาสนาไม่ได้เหมือนพระปิรินทวัชช ะ, ะเทระที่มักจะเรียกบุคคลอื่นว่าเจ้าคนถอยอยู่บ่อยๆเนี่ยหรือภาษารีบุตรเนี่ยถึงแม้จะเป็นอักขาสาวกเบื้องขวานะแต่ก็ยัง ไม่สามารถที่จะละได้ไม่สามารถที่จะละพฤติกรรมในการที่ตนเองกระโดดบ้างแต่ว่ากิเลสในใจของท่านไม่มีแล้วเนะเนี่ยฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วละทั้งกิเลสพร้อมทั้งวาสนาไดาน้นี่เป็นอย่างนั้นประการต่อมาก็คือว่าทําลายเสือซี่กรรมแห่งสังสารวัฏนั้นเป็นคําว่า อรหรันทำลายซี่กรรมนั่นนะนะอระในที่นั้นคือซี่กรรมเสียได้คําว่าอาระเนี่ยก็แปลว่าซี่ซี่ของล้อซี่ของล้อล้อรถหรือว่ากีนเนี่ยหรือว่าซี่กรรมเน่ยเขาอธิบายเขาบอกว่าการเกิดขึ้นเป็นอยู่ติดต่อกันไม่ขาดสายของรูปนามกันหเหล่านั้นนะ่ะท่านเรียกว่าสังสารจักรใช่ไหม ความเป็นไปเกิดขึ้นติดต่อกันในยอย่างพวกเราทั้งหลายเวลามีจุดติหมายถึงดับในภพนี้ก็จะต้องมีปฏิสนธิสืบต่อในภพต่อไปอย่างนี้เขาเรียกว่าการสืบต่อกันของขันห้าของรูปนามถ้าไปตายในภพใหม่ก็ต้องไปเกิดต่อไปมันไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เ้าเรียกว่าสังสาระ จ, จักร ความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นอย่างนี้คือผู้มีกิเลสทั้งหลาย<ม>แปลว่าพวกเราทั้งหลายยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นจํานวนนับไม่ถ้วนพระผู้ที่มีตาดีทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นท่านจึงรู้ไงว่าเรานั้นจะต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงทุก์ในอนาคตมีทุกเป็นไปเบื้องหน้าแล้วี่ จกทำสไนไฉนัยถึงจะทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งทั้งสิ้นนี้ได้ถ้าหากว่าพิจารณาตามบทคำสอนที่พระผู้มีภาคเจ้าท่านสอนหรือท่านเน้นอยู่ตลอดเวลาว่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกลําไปนะทําไมจึงเป็นทุกข์เพราะว่าความหมุนเวียนของสังสารจากักรนี้มันไม่มีที่จบมันไม่มีที่สุดมันไม่มีเบื้องปลายและไม่มีเบื้องต้น หาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้ทำมาพิจารณาในลักษณะแต่ว่าจะออกจากสังสาระจักได้ด้วยการประพฤติตามคาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าเป็นสังสาระจักเขาแปลว่าล้อคือสังสารวัฏก็หมายความว่าการเวียนเกิดเวียนตายท่านเรียกว่าสังสารวัฏตักหรือสังสารวัฏเนี่ย ท่านเปรียบเสมือนล้อรถที่หมุนไปตามหมุนไปตามทางต่างๆที่รถหรือล้อนั้นเดินไปล้อรถนี้ประกอบไปด้วยดุมล้อซึ่งเป็นเหมือนอะไรเอาวิชาความไม่รู้และก็อะไรเหมือนภาวะตัญหาก็คือตัญหาที่เป็นไปในภพบม คือความยินดีพอใจในภพชาติเนี่ยถามว่าอาวิชชาเนี่ยเหมือนดุมล้อคือความไม่รู้และก็ตัณหากล่าคือภาะวะตัณหาความยินดีพอใจในการเกิดในภพภูมิต่างๆนั้นน่ะเหมือนอะไรเหมือนกันกันกบว่าเป็นดุมของล้อล้อรถนั้นซึ่งเหมือนอวิชชาความไม่รู้และภาะวะตัณหา คือความยินดีในพบชาติอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเป็นมูลรากของวัตตนนั้นเขาเรียกว่าซี่ก ร, รมซี่ก ร, รมนั้นเป็นเสียบมาจากดุมของล้อรถหรือล้งของเกวียนที่เชื่อมดุมล้อกับกงล้อเข้าด้วยกันเปรียบเหมือนอภิสังขารกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารก็ได้ การปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางวาจาและการปรุงแต่งปรุงแต่งทางใจนี่อย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นสภาพที่ปรุงแต่งตกแต่งให้เกิดบุญถ้าประเภทที่ปุญญาพิสังขารน่ะเป็นยังไงการปรุงแต่งในการที่จะทำบุญทำกุศลถ้าให้ทานรักษาศีลธรรมดาที่กระทำกันอยู่ทั้งหลายนี่ ก็เป็นทานอากุศลศีลกุศลที่จะน้อมไปในภพชาติในการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นอย่างนี้เมื่อเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องไปแก่ไปเจ็บแล้วก็ไปตายเนี่ยคือทําบุญเพื่อไปแก่ไปเจ็บไปตายอถ้าทําเป็นอปุญญาพิสังขารกล่า็คือทําบาปอากุศลที่เป็นอกุศ ล, ลกรรมและอกุศลทุจริตทั้งหลายก็น้อมไปในการเกิดแก่เจ็บตายคือไปเกิดในภพที่ไม่งามภพที่ทุกข์มากเนี่ย แต่ก็ต้องไม่พ้นจากการเกิดและการตายหรือเป็นกุศลชั้นสูงหน่อยที่เป็นอนเนญชาวิสังขารในการเจริญภาวนาอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยให้ไปเกิดเป็นอรูณ ป, ประพบหรืออรูณ ป, ประบุคคลทาําอรมประชานให้เกิดขึ้นก็ไม่พ้นจากเกิดและก็จะต้องมีแก่แล้วก็จะต้องมีตายนี่เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นพระปรมาสตว์สดาถึงบอกว่า ซีกรรมแห่งสังสารวัจจ์เนี่เป็นสิ่งที่นำสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงทุกข์ถึงบอกว่ากงล้อของรถนั้นเปรียบเหมือนชะลาและมรณะโดยมีเพลาซึ่งเปรียบเหมือนอาสะวะกล่าวคือกาสมาสวะอา ส, ะ ว, ะอาสะวะคือกามพระวสวะอาสะวะคือภพทิฏฐาสะวะอาสะวะกล่าวคือทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยนี่ย ธรรมชาติที่ทําให้วัฏทุกข์ยาวนานไม่มีที่กําหนดอะไรบ้างอะโลภะบ้างทิฏฐิบ้างความเห็นผิดบ้างเป็นต้นเน่ยธรรมดาองค์ประกอบแห่งล้อรถมีการเชื่อมประกอบกันอย่างนี้สังสารวัตรก็เช่นกันคือมีอวิชชาและตัณหานั้นเน่ยเชื่อมต่อกับอภิสังขารมีปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารอนิจชาภิสังขาร อันเป็นปัจจัยสัมพันธ์ไว้กับชรลาและมรณะอันเป็นผลคือเราจะต้องไปแก่จะต้องไปตายนั่นเองอันเป็นปัจจัยสัมพันธ์เข้าไว้กับชรามรณะเนี่ยเป็นผลอภิสังขาร น, นั้นจึงเป็นเหมือนหนึ่งซี่กรรมที่เชื่อมดุมเข้าไว้กับกงล้อรถแล้วก็มีเอาอาสวะเนะี่ยเป็นเทาสอดเข้าแล้วก็ประกอบไว้ในรถก็คือทําให้รถนั้นหมุนไปใน กามาพบรูปประพบและอรูปปพบก็ทําให้สัตว์ทั้งหลายทั้งท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดไปในกามาพบบ้างในรูปประพบบ้างในอรูปปพ บ, บ้างบางพบก็ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นร ก, าานรนกบางพบก็ไปเป็นมนุษย์หรือเท ว, วดาบางพบก็เป็นพรหมเป็นอรูปพรหมนี่แต่ก็หมุนกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ น, นี่แหละนี่แหละพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงมีวิ มีใช้พระบาทพระบาทของพระองค์ในที่นั้นคือวิริยะของพระองค์นั่นเองอันเป็นไปด้วยอาการคือว่าป้องกันทาทั้งหลายที่เป็นไปฝักฝ่ายแห่งความเป็นเหตุเศร้าหมองพระองค์เพียนแล้วใช้วิริยะให้เป็นสัมมประทาน ในการเพียรไม่ให้บาปเกิดขึ้นในกระแสจิตเพื่อไม่ให้จิตนั้นเข้าถึงความเศร้าหมองเร่าร้อนอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยในการเพียนในการเจริญกรรมฐานต้องใช้ความเพียรไม่ต้องเพียนเพียนดูที่ไหนดูที่จิตนี่นึกเอาทําไมต้องตรวจสอบที่จิตก็ต้องตรวจสอบดูว่าในขณะนี้เนี่ยบาปเข้าสู่กระแสจิตไมเน่ยถ้าบาปเข้าสู่กระแสจิต ในขณะนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าจิตนั้นเศร้าหมองแล้วเมื่อจิตเศร้าหมองกิเลสอาสวะเกิดขึ้นในใจอย่างนั้นไม่เชื่อว่าเพียรหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านเพียรทรงยืนทรงยืนบนพื้นปฏิพีคือสีนใช่ ศีลเนะี่ยก็มาตรวจสอบพวกเราทั้งหลายว่าศีลนะประเภทปฏิโมกสังวรลศีลอินเะตียสังวรอาชีวะปริสุทธิศีลปัจจยาสันนิสิตาศีลเนี่ยคือตรวจสอบในเรื่องศีลตรวจสอบสุจริตสาถ้าหากว่าศีลดีจิตใจจะมั่นคงไหมในขณะนั้นมั่นคง ในขณะที่จิตใจมั่นคงนั้นเนี่เหมือนกับที่พระองค์ใช้พระบาทยืนอยู่บนประทับบนปฐพีคือดินคือพื้นแผ่นดินคือแปลว่าเพียรละบาปและเจริญบุญแล้วก็ยืนอยู่บนคือตั้งมั่นอยู่กับศีลเพื่อจะให้ศีลนั้นเป็นรากหรือศีลนั้นเป็นฐานเป็นฐานที่จะทำให้ ขึ้นณนะ้ที่สูงๆได้เหมือนทาพระเจดีเหมือนปลูกบ้านเป็นต้นหรือเหมือนกันต้นไม้ที่ขึ้นสูงๆเป็นต้นฐานมือรากนั้นก็จะต้องดีชั้นใดการพัฒนาในการเจริญกรรมฐานก็อย่างนั้นจริงๆแต่การที่จะทําสมาธิและปัญญาให้ดำเนินไปได้นั้นก็จะต้องตั้งอยู่บนศีลเพราะศีลจัดว่าเป็นธรรมที่นับว่าเป็นเครื่องรองรับ โดยเกี่ยวกับการเจริญสมถะและวิปัสสนาฉะนั้นการจะทำสมถะและวิปัสสนาให้ดำเนินไปได้นั้นก็จะต้องใช้ศีลนั่นเองเป็นเครื่องรองรับเพื่อจะทำการเจริญสมถะและ็วิปัสสนาแล้วก็ทำให้แล้วพระองค์ก็ใช้พระหัตถ์คือศรัทธาเห็นไหม พระศรัทธาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นท่านเปรียบเสมือนศรัทธาหรือว่ามีความกรุณาในการที่จะประกาศหรือเปิดเผยคำสอนนั้นเป็นประโยชน์กับพวกเรามากที่เป็นประโยชน์กับเพราะพระองค์มีมหากรุณาสมาปติายานพิจารณาถึงพวกเราทั้งหลายเห็นหมดวนะว่าในอดีตเนี่ยขันของพวกเราทั้งหลายนั้นเคยแตกดับในพบไหนมาบ้าง แต่เราพบเกิดดับเกิดดับแตกดับในสังสารวักรที่ผ่านมาเคยเป็นอะไรมาบ้างนี่พระองค์นั้นมีพยานอย่างรู้อดีตของเราสรรพสัตว์ทั้งหลายหมดและก็รู้ด้วยนะว่าในอนาคตของพวกเรานั้นน่ยยังจะต้องไปเกิดแก่เจ็บตายในภพชาติอีกเท่าไหร่อย่างไรและก็รู้นะว่าพวกเรานั้นจะได้มีโอกาสในการที่มันน้อมมาสักการะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า และน้อมนําเอาพระธรรมนั้นมาเป็นหลักปฏิบัติมาเป็นข้อปฏิบัติในชีวิตเนี่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วพระธรรมนั้นก็เหมาะสมแก่อัธยาศัยหรืออนุสัยเ อ, อื้แกอัธยาศัยของสัตว์เหล่านั้นนึแล้วก็กรรมฐานที่พระองค์ทรงมอบมาให้นั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับเพชรที่มีราคาสูงมากะ ฉะนั้นจิตใจของพวกเราทั้งหลายที่น้อมรับคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงต้องชําระให้ดีชําระจิตของตนเองนั้นให้ดีนะให้ปราศจากความเศร้าหมองเร่าร้อนนะการหรือว่าละความเศร้าหมองเร่าร้อนออกไปเพื่อจะเป็นที่รองรับคําสอนของผู้มีพระภาคเจ้าที่พยายามบ่มมาทั้งเสียสงไข่นั้น เหมือนกับเรามานาสิการกรรมฐานหรือตั้งใจในการฟังหรือเนี่ยในขณะนี้ก็เหมือนกันถ้าสังเกตดูกระแสจิตของเราแล้วก็จะเห็นว่าเออบางครั้งเนี่ยก็แวบไปในเรื่องโน้นเรื่องนี้บางครั้งก็ตั้งมั่นเป็นระยะระยะบางครั้งก็ศรัทธาเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่เหมือนกันที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า เหตุปัจจัยของการสั่งสมมาไม่เท่ากันแต่พระองค์ตรวจสอบเบเ็ดเสร็จแล้วก็รู้ว่าพระธรรมจะเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายแก่สัตว์โลกทั้งหลายพวกเราทั้งหลายก็มีโอกาสคําว่าสมัยนี้เป็นสมัยที่พวกเราทั้งหลายมีโอกาสแต่โอกาสเช่นนี้ไม่ใช่มีได้ง่ายๆโอกาสในการจะฟังธรรมโอกาสในการที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นเป็นโอกาสที่หาได้ยาก ที่หาได้ยากนั้นก็เพราะว่าเป็นโอกาสที่การเจริญการอบรมเนะี่ยในยุคปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยอุปสรรคเยอะดังที่เราได้เห็นรู้และทราบกันอยูนะ่ในการจะเจริญกุศลยังต้องส่อแ ส, สแวงหาที่กันเป็นงานใหญ่เนี่ยไปพิจารณาอย่างนี้แล้วว่าถึงในยุคปัจจุบันนี้ลำบาก ลำบากทั้งหาปุคะลาส ป, ปายะมีพุทธเจ้าเป็นต้นก็ไม่มีจะอ่านคาสอนศึกษาคาสอนของพระเจ้าให้เข้าใจเนี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้จึงต้องรีบทำความเพียรให้ถูกแล้วก็ตั้งศรัทธาเหมือนพระองค์ตั้งตอนพระองค์ตั้งศรัทธานั้นพระองค์ต้องตํมบิเองนะต้องชักชวนตนเองนะไม่ต้องอาศัยคนอื่นชักชวนนะต้องมุ่งมั่นต้องเพียรพยายามต้องไม่ท้อถอย ความเพียรของพระ อ, องค์ไม่ท้อถอยศรัท ธ, ธาของพระ อ, องค์ก็ตั้งมัน่นถ้ามาพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วท่านก็ยังทําทั้งหลายที่ปาสจากโทษนั่นนะท่านก็ใช้ศรัท ธ, ธานัน่นเองเป็นการถือเอากุศลและทำทั้งหลายที่ปาสจากโทษท่านเฟ้นทันทีเมื่อความเพียรการบาปความเพียรไม่ให้บาปเกิดความเพียร ต่อมาท่านก็เฟ้นเลยใช้ศรัทธาในการที่จะเฟ้นว่าท่าน่าควรจะถือเอาธรรมประเภทไหนศีลสมาธิปัญญาเนี่ควรถือเอาไหมท่านควรถือแล้วการทุศีลเป็นต้นแหละการไม่มีสมาธิการไม่ได้อบรมปัญญาท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรถือเอาท่านก็เว้นเมื่อท่านเว้นสิ่งเหล่านั้นเบีดเสร็จแล้วท่านก็ทรงจับขวานคำว่าขวานในที่นั้นหมายความว่าเป็นพระปัญญา พระปัญญาอันเป็นการกระทำความสิ้นไปแห่งกรรมกระทำความสิ้นไปแห่งกรรมก็คือใช้ปัญญาในการที่จะตัดรู้ชื่อว่าจะทำลายซี่กรรมแม้ทั้งหมดแห่งสังสารวัฏทั้งหลายนั้นเสียได้นะแดนแห่งการตัดรู้เพราะความที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นกำจัดอระคือสามารถทำลายซี่กรรมนั้นเสียได้ด้วยพระองค์เอง จึงได้รับการยกย่องขนานนามว่าทรงเป็นพระอระหันต์เพราะเป็นผู้ที่มีความบริบูรณ์แห่งภาวนาทัา น, นพระปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนขวานก็แปลว่าท่านรับขวานดีแล้วท่านรับขวานดีแล้วด้วยศีลด้วยสมาธิของท่านพวกเราทั้งหลายแหะรับขวานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยถามว่า ศรัทธาเราแค่ไหนเพียนในการที่จะละบาปลราเป็นอย่างไรเพียงกันบาปราคาโทสะโมหะยังเข้าสู่กระแสจิตอยู่ไหมหรือเพียนกันได้ถ้าเพียนกันในลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกเพียรกันบาปเกาแล้วก็เพียนไม่ให้บาปใหม่เข้าสู่กระแสจิตและในขณะเดียวกันก็คือว่ามีศรัทธาในการที่จะเป้นเนากุศลธรรมในการที่มีศรัทธาเลือกเป้นผู้แนวกุศล Mm hmm. a l t a y d h a m m a k lobho ko v a c h atusam. ดลอที่ท่านได้รับฝังจบแล้วนั้นเป็นการบรรยายทธรรมจากท่านพระอาจารย์ประถมศพประกะมโมเรื่องโอตริยตูใต้ที่ปรกีเพราะบุญบา ร, รมีที่เกิดขึ้นจากการระับระฟังพระธรรมในครงนี้จึงเป็นป ร, รานิสง ให้กับชั้นผว้ฟังทั้งหลายได้พบแต่สังธรรมที่เป็นจริงด้วยความเมตตาธรรแนะนำให้กับท่นทั้งหลาย